ขันดาวะโมนิวโรตัมหาอนิมิเสวราเสนฆาคเนปุณจันโดวาสานิมิสังนามมิตังวันตามิโสนเพนนาโทตเสตตวะปาติหาเรียงวสาโดวิจังกามิสจังกมังนามมิตัง ตรนาดทิตสังกาโสโรกาโครัตนาคารโตเซนสิชนังรังเซหิสัขคาราหังนามามิตังพระผู้มีพระภาคทรงชนะมารทั้งห้ามีขันธามารกิเลสมารมัจุมารเทพุตมารอภิษังขารามารเป็นต้นโดยสิ้นเชิงด้วยอารัฐมัขยาน บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาพระองค์นั้นด้วยพร้อมทั้งโพธิบัลลังก์นั้นพระจอมุนีสเสด็จออกจากโพธิพฤกษ์แล้วสเสด็จประทับยืนณสถานที่อันประเสริฐ ด, ด้วยพระเนตรวิที่ไม่ทรงกระพริบเปรียบดังพระจันทร์วันเพ็นบนท้องฟ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระจอมุนีพระองค์นั้นพร้อมณสถานที่ประทับยืนอันไม่กระพริบพระเนตรนั้นพระนาถาเจ้า พวกใครอาเมตคือกิเลส ท, ทุกมูเราทรงแสดงยงมกับปฏิหารอันน่าอัศจรรย์สเสด็จจงกรมองอาจดุดราชสีนรัตนจงกรมเจดียข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระานาถเจ้าพระ อ, องค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่จงกรมนั้นพระไตรโลกนาถผู้เปรียบเสมือนเสาเขื่อนนั้นมั่นคงสเสด็จประทับอยู่นรัตน์ขราเจดียเจดียเรือนแก้วยังมหาชนในสองมณัุด้วยฉพันธรังสี ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระโลกกนาาพระองค์นั้นพร้อมทั้งรัตนะพระเจดีเจดีเรือนแก้วนั้นด้วยเสียงกลราวเป็นนิดขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อขอความเจริญในธรรมนะมีกับเราท่านทั้งหลายาวันนี้มาเข้าช่วงบ่ายในการที่จะศึกษาในเรื่องของสัมภารวิบากกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะบอกเส้นทางในการดําเนินนะ ที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินในการที่บาเพ็ญพระบรารมีอย่างยิ่งยวดและอย่างยาวนานในการกว่าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามองถึงในด้านของพุทธคุณที่พระพุทธเจ้าทรงมีอย่างยิ่งใหญ่นะทีนี้ในคำสอนก่อนที่เราจะศึกษาในคำพีสัมภารวิบากสิ่งที่เราควรจะรู้และทําความเข้าใจก็คือว่า ท่านพารนาพระตถาคตอาจารย์ท่านภารณาบอกว่าแม้หากพระพุทธเจ้าจะตรัสพารนาคุณของพระพุทธเจ้าตลอดกับหนึ่งไม่ได้ตรัสคำอื่นเลยนะจนกับหนึ่งเนะี่ยหมดสิ้นไปในกาอันช้านานแต่คุณของพระพุทธเจ้าหรือคุณของปัตถาคตก็ไม่ได้หมดไปเลยถ้ามองอย่างนี้ก็จะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้านะั้นมีพระคุณค่อนข้างมากท่านตรัสถึงบอกว่า พระพุทธเจ้าด้วยกันเองนะแม้จะมาพารณนาคุณของพระพุทธเจ้าจนกลับเนี่ยสิ้นไปธรามะนับถึงกลับเนี่ยคืออย่างนี้จะมีทั้งอายุกลับจะมีทั้งอันตรกับและมีอสงไข่กลับเป็นต้นทีนี้ในบรรดาอสงไข่กลับนั้นน่ยก็นับแบบอสงไข่กลับเล็กก็ได้อสงไข่กลับใหญ่ก็ได้อันนี้จะไม่อขยายในเรื่องกลับพห้ยาวนานนะเพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้างจํากัดในการที่จะศึกษาถ้าเรามองถึงอสงกลับแบบ ใหญ่เลยนะที่เราจะมานับกันเลยนะทำความเข้าใจแบบง่ายๆแล้วก็ชับที่สุดเนี่ยก็คือว่าเรานับโลกแต่ละใบเนี่ยโลกแต่ละใบก็จะมีอายุของเขาอยู่นะครับโลกแต่ละใบแต่ละใบจะมีอายุในการกว่าที่โลกนี้จะก่อตัวขึ้นมารวมตัวกันมาจนกลายเป็นโลกใบนี้ขึ้นมาแล้วก็มีสัตว์มาอาศัยอยู่อย่างเช่นในอคัญยสูตรเป็นต้นเหล่าเนี้แล้วในที่สุดจริงอ่ะโลกนั้นก็เริ่มค่อยๆเสือเส่อมเสื่อมเสื่อมตัวมันเองไปแล้วก็ทําลายแล้วก็หมดสิ้นไปเนี่ยในโลกใบหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกกับ1 นี่นะครับเรียกว่ากับหนึ่งลักษณะเนี่ยกับหนึ่งอย่างเนี้ยถ้าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเนี่ยนะแสนครั้งเขาก็เรียกว่าแสนกับให้สังเกต ด, ดูนะว่าคำว่าสี่อสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับใช่ั้ยทีนี้ถ้าหากว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแสนครั้ง นั่นคือพ่วงท้ายของคําว่าแสนแสนมหากับแสนกับเขรียกแสนกรับมหากรับก็ได้เรียกว่ากับก็ได้อันเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นคําว่าอาศงไขอ่ะเขานับยังไงนะครับเอาแค่นับได้ก่อนนะคือว่าโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระ ด, ดับไปเนทะ่ากับเลขหนึ่งนะครับเขียนเลขหนึ่งเข้าไปตามด้วยเลขศูนย์ร้อยสี่สิบตัว เลขหนึ่งเขียนหน้าแล้วตามด้วยเลขศูนย์ร้อยสี่สิบตัวนั่นแหละโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นแหละเท่ากับตั้งด้วยเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนยร้อยสิบตัวนั้นเขาเรียกว่าหนึ่งอสงไข่นะครับฉะนั้นคําว่าบําเพ็ญบารมีมาสี่อสงไข่ก็คืออย่างนี้สี่รอบโลกได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่ากับเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์เนี่ร้อยสี่สิบศูนย์นีครับนี่คือสี่อสงไข่แล้วก็พ่วงท้ายไว้ด้วยแสนมหากรัปหรือแสนกับ ก็คือหมายความว่าโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอีกแสนครั้งจึงได้พระพุทธเจ้าองค์นี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะปัญญาทิฏกสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่สามประเภทใช่ไหมครับศรัทธาทิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนกะ็วิ ท, ทา ย, ยาทิฏกสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปัญญาทิฏกสัมมาสัมพุทธเจ้ า, ญญ า, มม า, จานี่นับอย่างย่อที่สุดเสียสงขยายยิ่งด้วยแสนมหากรับเนี่ยหรือแสนกรับเนี่ยงั้นกว่าเราจะได้พระพุทธเจ้าระดับปัญญาทิกกมาหนึ่งองค์เนี่ยก็ โรคนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยส ส, สงไขนับแบบย่อนะถ้านับแบบประเภทที่โดยขยายความหน่อยก็คือ9ก้านะครับสนะครับสงไขจะมี20อสง์ไข40อสงไข80ปสระสงค์ไขนี่นะครับฉะนั้นในกรณีที่วิิยาทิกานีนานสุดสทัทธาธิกาก็ต่ำลงมาเนี่ยนะแล้วก็มาปัญญาทิกาก็ต่ำสุดแล้วถือว่าต่ำสุดนี่นะ ก็คือเร็วที่สุดก็นี้แหละยี่สสงขายหรือหยักย่ อ, อ ก, ก็เสียสงขายยิ่งด้วยแสนมหากับนี่นะครับนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าบอกว่าหากพระพุทธเจ้าแม้จะตรัสพรารณนาคุณของพระพุทธเจ้าตลอดกับหนึ่งไม่ได้ตรัสคําอื่นเลยนะตรัสแค่คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยกับหนึ่งนี่นะครับโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเนี่ยเนี่ยกว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่พารณนาเรื่องอื่นเลยนะครับพูดพูดแต่พุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นนะร อ, อย กับนี้สิ้นไปแต่คุณของพระุทเจ้านั้นยังไม่หมดเส้นอันนี้เขาพัรณนาว่ามากมายขนาดไหนนี่เป็นต้นฉะนั้นเขาต้งบอกว่าช่างดอกไม้แม้ลูกมือของช่างดอกไม้ผู้ชนานํานาญก็พึงร้อยดอกไม้ให้หลากหลายนานาชนิดให้เป็นมารายอวิจิตแม้ชั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงพระคุณเป็นอันเดทรงพระคุณหลายร้อยชั้นนั้นน่ยใครเล่าจะพัรลนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นได้ ท่านประพันธ์อุปมาไว้อย่างนี้บอกว่าสหัสส ส, ส, สีเสปิเกเปโศสีเสสีเสสตังมุขหามุขเขมุขเขสตังชิวหาชีวากับปรมหิิโกนัสกโกติจวันเนตุงนิเสสังสัตทุโนขนังบอกว่าแม้หากจะมีบุรุษคนหนึ่งที่มีศักด์ามากมีฤทธิ์มากเนรมิตรศีษะมาหนะนึ่งพันนะครับเนรมิตรศีษะมาหนึ่งพันศีษะ หนึ่งพันหัวเนี่ยแต่ละศีษามีหนึ่งร้อยปากนะครับแต่ละปากเนี่ยมีหนึ่งร้อยลิ้นก็เท่ากับว่ามีหนึ่งแสนปากมีลิ้นอยู่หนึ่งโกรดโกรนึงก็สิบสิบล้านเนี่ยนะสิบล้านลิ้นเนี่ยมีชีวิตอยู่กับหนึ่งนะครับยังไม่อาจจะพารณาคุณของพระเจ้าได้หมดสิ้นไปเลยนี่ขนาดนั้น ที่พูดอย่างนี้ให้ฟังก็คือเดี๋ยวเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก็คือว่าเอาเรื่องในมีพาาระรันเถระมีพระพระรหันรูปหนึ่งเล่าประวัติให้นิดหนึ่งนะพระรูปเนี้ยเดี๋ยวย้อนประวัติหน่อยใครเคยได้อ่านจูราสกสัจการสูตรมหาศจการสูตรไหมครับใครได้เรียนพระไตรปิฎกในมัชชิมาไดไกรไหมได้เคยเรียนพระสูตรนี้ไหมครับอ่เดี๋ยวเล่าให้ฟังในรู้จักประวัติศจการนิคคนไหมครับ โอ้โห oh. ไม่ค่อยมีเพื่อนเลยแล้ว <c oughs> จากประวัติสัจการนิคนไหมไม่รู้เลยนะสัจการนิคนเนี่ยได้เคยโตวาทากับพุทธเจ้านะครับในไปดูในจูแลสัจการสูตรแล้วก็ตามไปด้วยมาหาสัจการสูตรสองสูตรเนี่นะครับเนร ม, มิติมริกายไปดูนะครับแต่ก็ไปอผมจะเล่าแบบ ค, คร่าวๆกบแล้วกันไม่มีเวลาลงรายละเอียดบ้างเล็กน้อย สัจการนิครนเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญามากใช่ไหมครับแล้วก็เที่ยวมีมานะจัดมีทิฐิมากอาถานพ้าโตวาท่ากับคนทั้งแผ่นดินในชมพูทวีปในยุคนั้นจนถึงขนาดว่าต้องใช้เหล็กดามท้องเข้าไว้มุนเหตุบอกว่ า, วามั่นใจว่าความรู้ของตนเองเนี่ยมากจัดถ้าไม่ใช้เหล็กดามท้องเข้าไว้ด้วยความรู้ที่มากมายอัดอั้นขนาดนี้เดี๋ยวท้องจะแตก คือเป็นการประกาศศักดาของตอนเองให้คนอื่นได้รู้ว่าเนี่ยตนเองมีความรู้มากมีศักยภาพมีความสามารถมากแล้วก็กล้าท้าโตวาทะกับคนทุกคนเหตุ <He> ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเราดูจากดีเของสัจการนิครณเนี่ยนะครับคือสัจการเนี่ยก็มีมีพ่อพ่อก็เป็นนิครณแม่ก็เป็นนิครณ น, น, นิคคันธะเนี่ยก็คือผู้ชายนิคขันธีเนี่ยนะผู้หญิงจะเวละคือพ่อกับแม่เนี่ยเป็นคนที่เก่งมาก เป็นฝ่ายหญิงแล้ฝ่ายชายแล้วก็โต้วาท่ากันมาเจอกันแล้วก็โต้วาท่าในยุคก่อนเนี่ก่อนที่จะมาแต่งงานกันสองสองสามีภรรยาเนี่ยโต้วาท่กันอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีใครแพ้พอไม่มีใครแพ้แล้วเจ้าฤาวีในยุคนั้นก็ จ, จับไอ้สองคนเนี่ยแต่งงานกันไอ้ฉลาดต่อฉลาดไอ้ดีเต่อฉลาดต่อฉลาดเนี่แต่งงานกันพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นเนี่ยสัจการนิคนมันยิ่งยิ่งฉลาดใหญ่ไหม มันได้ได้เชื่อฉลาดมาขนาดนั้นเนี่ยมันก็โอ้โหแต่เนี้ยพองแล้วมันเรียนวิชาจากพ่อจากแม่มาด้วยใช่ไหมละ่ะโอ้โหมันเก่งมากเลยที่เนี้ยตอนนั้นไปอยู่ที่เไปอยู่ในแคว้นวชีเนี่ยโอ้โหอดศักดามากเ ว, วลาเจ้าฤชวีไปหาแเจะครั้งก็อวดศักดาบอกว่านี่นะในแผ่นดินเนี่ยไม่มีใครที่สามารถจะต้วาทะกับเขาได้เขา ส, สามารถถักร้างวาทะด้วยวาทะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะเจอตอนนี้ก็คืออยากเจอพระท่านสมณะโคดมเท่านั้นเนี่ย่ังกันเถอะ ในโลกนี้ไม่อยากจะเจอใครอยากเจอท่านผูน้นี้ถ้าเจอท่านสมนาคโคดมนะเขาบอกเขาจะจัดการพระสมนาคโคดมก็คือจะหักร้างวาัฏพระสมนาคโคดมไม่สิ้นซากว่างั้นนะโอปปามาเหมือนกับเด็กเนี่ยเวลาไปไปเจอโปูเนี่ยก็เอามาัเอาเชือกมัดโปูแล้วก็รากเล่นไปไม้ให้ให้ก้ามโปูมันหักมันหักไปฉะนั้นหรือไม่อย่างนั้นก็เหมือนกับช้างว่างั้นเถอะเหมือนช้างที่มันมีพลังอนุภาพมากลงในสระแล้วก็ใช้งวงจับจับไอตัวตัว เง่าบัวถอนขึ้นมาฟาดเล่นอย่างนั้นว่างั้นเถอะแม้แต่เจอพระเจ้าเมื่อไหร่เจอท่านพระสมณะโคโดมเมื่อไหร่จะหักล้างวาทะด้วยวาทะจะจัดการพระเจ้าให้ราบคาบเลยก็คุยอยู่อย่างนี้นะคุยไปคุยมามีวันหนึ่งพระเจ้าเสด็จมาที่กรุงไอที่มาที่แคว้นวชิรใช่ไหมเจ้าลิชาษีก็หมั่นไส้พอหมั่นไส้ขึ้นมาก็บอกอาจารย์เนี่ยตอนนี้พระเจ้าเนี่ยมาแล้วมาประทับอยู่ใกล้ๆนี่แหละเ <c oughs> นี่ยหัวเ น, นี้ย พอพอพูดพอได้ยินพระเจ้าเนะี่ยแกจะลุกไม่ขึ้นที่แรกเนะี่ยลุกไม่ขึ้นไปไปมาพระเจ้าฤาษีก็พากันดึงไปเนี่ยนะแล้วก็ไปเจอเขาบอกว่าแกคุยเขาไว้บอกถ้าเจอพระเจ้านี่นะเชื่อจะแม้พระเจ้าเห็นตนเองเนี่ยเหงื่อจะต้องออกจากรักแร้แน่นอนถ้าไในตั ว, ว่าทา้ก็คือเจ้าหมดฤทธิ์หมดปฏิพัน์ว่างั้นเถอะคิดเงี้ยพอไปเขาจริงจริงเน่ะ ก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนจะไปโตว่าท้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเจอภาสัชชีภาสัชชีในหนึ่งในปัญญวิีทั้งห้านี่แหละแล้วสัจจะให้คนก็ถามบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงภาคสัชชีก็บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมิจาณเนี่ยไม่ใช่อัตตาตัวตนบอกจริงสอนอย่างนี้เลยบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมิจารณก็คือกระแสชีวิตเนี่ยมันเป็นอัตตามันไม่ใช่อานาตตาหรอกเออมันเป็นมันเป็นอานาตา แต่สัจการนิคนเนี่ยยืนยันเป็นอัตตามันไม่ใช่ตัวเราเมันจะของใครใช่ไหมแล้วเนี่ยผมก็ของเราขนก็ของเราเล็บก็บของเราฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอะไหนมันของเราแท้ๆเนี่ยในยท่านพระสัมมาโคโดมมาสอนว่าเป็นอนัตตาเนี่ยโอ้โหบอกว่าช่วยฝากไว้ถึงพระเจ้าหน่อยนะให้ยืนยันวาทฆ่าเขาไว้ <c oughs> <c oughs> อย่าเปลี่ยนนะ <c oughs> อ ย, ยืนยันเงี้ไปเลยตรงนี้ นีไปไปมาก็นี่แหละไปโตวาทากันในเรื่องนี้แหละพอไปถึงโป๊บก็ะเพงไปถามพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้ายืนยันรับรองวาทากตัวเองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีวาทาอย่างนี้ใช่ไหมว่ารูปก็เป็นอัตตารูปก็เป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาสัญญาก็เป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณก็เป็นอนัตตากระแสชีวิตเป็นอนัตตาเพราะงั้นถองงั้นยืนยันไว้นะเนี่ยต่อรองเนสัจกานิคอนวิทย์เขายืนยันถ้ามันไม่ใช่ของเราจะเป็นของใครไอ้จริงๆเราเห็น กระแสชีวิตเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาตัวเราเองเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกับสัจจานิครนใช่ไหมนี่ก็เห็นเหมือนกันกับสัจจการนิโครนสัจจการนิโครนก็เห็นแบบนี้เราเป็นเป็นอัตตาพระเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนสัจจานิครนว่างั้นดูก่อนเธอเธอยืนยันว่าเป็นอัตตาใช่ไหมก็บอกว่าใช่นี่พระเจ้าก็เลย ยกอุปมาฟังบอกว่าเนี่ยในประเทศสราศพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นใหญ่ในประเทศนั้นใช่ไหมบอกใช่ระบบสมบูรณ์และลณาญาสิทธิราชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนมคตก็ดีหรือแฟนวัชีปกครองแบบสามัคคีรมหรือคณะทิปไตยแบบนี้ก็ว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนั้นเนี่ยสามารถจะให้ใครอยู่ในประเทศนั้นก็ได้จะในประเทศใครก็กได้ใช่ไหม อยากจะลงโทษใครก็ได้อยากจะประหารชีวิตใครก็ได้หรืออยากจะไล่ใครออกจากพื้นแผ่นดินนั้นก็ได้ใช่ไหมเพราะเขาเป็นของประเทศยกใช่เอางี้แล้วเลยบอกว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็คือเนี่ยสัจจา น, นิโคณเกิดมาเป็นคนที่หน้าตาก็ไม่ดีใช่ไหมโรคพัน์ผิวพันธุ์ก็ไม่งามใช่ไหมหรือว่ากรณีอย่างเนี้ยบอกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเนี่ยคอนโทรมันได้ไหม กำกับมันได้ไหมว่าผมอย่างอกฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวยน่น <t ose> ถ้าเป็นของเรามันต้องกํากับได้ทั้งหมดใช่ไหมละ่ะก็ต้องบังคับได้คอนโทรได้แม้แต่ความรู้สึกเนี่ยสุขก็ดีให้มันสุขอย่างถาวรที่ย้า้มันเปลี่ยนแม้ความจําก็คงคอนโทรมันไว้แม้ความเห็นการเห็นการได้ยินทั้งหลายเหล่านี้ยย่าให้มันเปลี่ยนเพราะมันเป็นของเราทั้งหมดเหล่านี้ก็ต้องสามารถกํากับมันได้ทุกขั้นตอนไม้มันเปลี่ยนแปลงได้ไหมเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยเจาะไปในเรื่องประเด็นแบบเนี้ ไปไปมามาก็คือสัจนการณที่คนไปไม่เป็นก็เลยเหงื่อออกใช่ไหมเหงื่อออกนั่งคอตกหมดปฏิพานเดีเยวนี้ก้มหน้านิ่งพอเบีดเสร็จพระุทธเจ้าก็ย้อนถามบอกเธอคุยนะคุยหนาใช่ไหมว่าเจอพรุทธเจ้าแล้วจะทําให้พระุทธเจ้าเหงื่อออกจากจกแล้วพระุทธเจ้าก็ยกจักระแลให้ดูว่าของเราไม่มีออกเลยเพียงแต่นิดแต่ของเธอเต็มแล้วเหงื่อหยดเลไปไปมาเดีนี้ก็ในที่สุดจริงนะก็ยอมจำนนพอยอมจำนนเบีดเสร็จแล้วแต่ไม่ยอมนับถือพพุทธเจ้า คือเคยแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมในพระสงค์สาวกพระพุทธเจ้าไปที่บ้านจริงๆให้ทานจริงแต่ไม่ยอมขอถึงสารณคมนะครับด้วยอะไรด้วยทิฏฐิด้วยมานะด้วยตันหาของตนเองเนี่ยกลัวเสียชื่อกลัวเสียหน้านี่แหละแต่ในใจในะยอมสิโรราบหมดแล้วเถียงพระพุทธเจ้ามาหลายในในมหาสัจกาศูนก็ไปเถียงกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่างนั้นบางทีเนี่ยแล้วเป็นคนที่ลักษณะของสัจกาศที่คนเนี่ย แต่ไม่รุนแรงเหมือนกับวัสการพราหมเคยท่านทั้งหลายรู้จักประวัติของท่านวาสการพรามมั์ยหมไม่รู้เลยหรือรู้ไหมโอ้ไม่ใช่นักอ่านในโวกเรานี่เฮ้ยต้องเป็นนักค้นคว้าหน่อยคือคือลักษณะของสัจจการนิคคนและวสการพราม์จะมีความคล้ายกันอยู่ก็คือเป็นคนที่มีทิฏฐิวิปริตมีความเห็นที่วิปริตผิดเพี้ยน ก็จะไม่ถ้าเป็นเรื่องเหตุและผลเรื่องคําสอนเรื่องความลึกซึ้งเรื่องศรัทธาจะไม่กล้าดิ่งศรัทธาลงไปอย่างปักปักศรัทธาไปอย่างมั่นคงเพราะกลัวจะเสียเหลี่ยมเสียโอกาสกลัวพลาดนั่นเองงนั้นตนเองก็จะคอยคอยหลบอย่างยกตัวอย่างเช่นเนีวัสการพามเนี่ยวัสการพามเนี่ยจะไม่สัจะไปศรัทธาพระพุทธเจ้านั้นเพราะหวังผลประโยชน์เช่นในยุคตอนก่อ น, อนที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพราหมณ์อีกท่านหนึ่งที่เฝ้าพระพุทธเจ้านะว่าเอ๊ะ ตอนนั้นพระเจ้าประทับอยู่ที่เวสาลีก็ไปเฝ้าพระเจ้าเมื่อเฝ้าพระเจ้าไต่เพื่อถามโอกาสวอกเอออย่าเราจะส่งกองกําลังทหารมาบุกฟานวัชีเนี่ยเอ๊อยากจะฟังว่าทัศนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเห็นอย่างไรเราจะได้ถือโอกาสนั้นนี้เป็นต้นเวลาพระเจ้าพระเจ้าก็พูดเรื่องความสามัคคีของควานวัชีว่ายังหมั่นประชุมกันเรื่องนิดเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเมื่อมาเข้าประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันแล้วก็มีการเคารพผู้ใหญ่ในตระกูลไล่ไปตามลำดับยังไงเป็นต้นเอานาม วัศการละพามฟังปุ๊บเนี่ยท่านจะมีความคิดอีกมุมฉี่ออกมาอีกมุมหนึ่งว่าโอ้ประเทศที่มีความสามัคคีกันมากๆนี่เราจะสามารถายึดประเทศนี้ได้ก็ในการยุยงให้แตกกัน น, นนี้เป็นต้นนะฮะคือจะคิดอีกมุมหนึ่งได้เป็นคนฉลาดฟังมุมหนึ่งก็คิดอีกมุมหนึ่งฟังมุมหนึ่งก็คิดอีกมุมหนึ่งอย่างนี้เปน็นต้นตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเหมือนกันตอนนั้นอ่ะเออไปถามพระ อ, อนุนเอ้พระท่านดูก่อนพันพระอนุนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้าทาสดแ พระนอนก็บอกไม่ได้ตั้งใครโอ้ทั้งนั้นพวกท่านก็อยู่กันอย่างว้าวเวใช่ไหมเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ตั้งใครเป็นศาสดาหรือเป็นองค์ปกครองแทนกันมาตามลําดับนี่ถ้าพระเจ้าเป็นดินองค์หนึ่งสวรรค์นคราก็ตั้งอีกองค์หนึ่งแทนองค์หนึ่งสวรรค์นครก็ตั้งต่อๆกันมาใช่ไหมพวกท่านนี่เพราะพระเจ้าปฏิเนพหาแล้วพระเจ้าไม่ได้ตั้งใครเลยทั้งนั้นพวกท่านก็อยู่กันอย่างไร้ที่พึ่งสิมองออกไหมเจาะอคือเจาะประเด็นน่ะแค่พระเลยว่างนั้นเดี๋พวกท่านอยู่กันอย่างว้าวเวอยู่อย่่่างงไร้ทีพึอยู่ ปกครองโอ้โหลําบากนะพวกท่านอยู่กันแบบนี้ทํำนองแบบเนี้พระอนุนก็ต้องชี้แจงบอกว่าเออไม่ใช่นะพวกเราไม่ได้อยู่ยังไม่มีที่พึ่งนะพวกเรามีธรรมวินัยเป็นศาสดาเออมีธรรมวินัยเป็นศาสดรายัางไงพอโดนเจาะประเด็นนี้พระอนุนท่า น, นก็บอกว่าทุก15วันเนี่ยเราก็จะมีการประชุมกันครั้งหนึ่งภิกษุที่ฉลาดที่สามารถก็เอาวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากล่าวใช่ไหมคำสอนพระเจ้ามากล่าวแม้ภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในเขตนั้นอยู่ในที่นั้นถ้าประพฤติผิด คำสอนกล่า็คือพระธรรมวินัยนั้นน่ยสง์ที่อยู่ในที่นั้นก็จะเอาพระธรรมวินัยมาตักเตือนแล้วก็ชี้แนะให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้นและการที่สงตักเตือนหรือชี้แนะให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ใช่พูดนั้นเป็นผู้ชี้โทษนะพระศาสดามาในฐานะพระธรรมวินัยเป็นผู้ชี้โทษท่านเหล่านั้นท่านนั้นก็จะยอมรับนั้นเรามีพระธรรมวินัยเป็นบรมศาสดาอยู่ไม่ใช่ไม่มีและในขณะเดียวกันเราก็เคารพกันตามอาวุโสตามแก่อ่อนอย่างนี้เป็นต้นเหล่าเนี้ยก็ไล่ไปตามดับพอจะอธิบายรายละเอียดไปปุ๊บ วสการลพามก็บอกว่าขอตัวก่อนข้าพเจ้ามีกิจมากมีธุระมากยังไม่ฟังต่อพวกนี้มันจะมีลักษณะแบบนี้ใครเป็นไ้มลักษณะที่ถีแบบเนี้เพือเพราะเขาจะเล่าเรื่องอะไรพอเข้าได้เข้าเข็มเข้ามีเหตุมีผลขึ้นมาเปียดเสดกัวกัวตัวเองจะเข้าไปศรัทธากัวตัวเองจะเข้าไปรู้รายละเอียดกัวตัวเองจะแพ้กัวตัวเองจะเสียหน้าก็รีบฉักกลับบอกว่าขอกลับก่อนขอลาก่อนที่เป็นต้นเนี้ย พระโหกิจโยพระโหกรณีโยขเขาพยายามมีกิตมากมีดุลมะมากก่ลาก่อนนี้เป็นต้นเนี่ยก็จะเป็นไปรักอะแบบนี้นี่วสการภ า, า, ม, ามีทัศน์ามีทิฏฐิแบบนี้นะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าพระมหากจรยนะเดินลงจากเขาขี้เช่าูใช่ไหมตอนนั้นพระมหากจรยานะท่านทําลายรูปประคัณตนเองให้ใใใหหห้ห้ห้ไม่น่าไม่น่ารักแล้วเนี่ยก็ไปตาหนิโอ้โหพระเทระรูปนี้เหมือนกัะลิงเนี่ยนะก็ะคือมีจิตคิดประทุษร้ายแล้วต่อมาเนี่ยกรรมเออกรรมไม่ไม่ไปขอขมา คือกรรมที่ไม่ไปขอขมาพระเถระพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าตายไปแล้วจะเกิดเป็นลิงหางโคอยู่ในป่าเวรวันนะวัศการ า, าพามเชื่อไหมเชื่อเชื่ อ, อทันทีนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสหนึ่งไม่มีสองเพราะเคยเห็นแล้วว่าพระเทวาทัศจะถูกเป็นดินสูบก็สูบนางจินยมานาวิกาถูกเป็นดินสูบก็สูบนันทามานพนันทยักทั้งหลายเหล่านี้เป็นเตอรเหล่านี้ถ้าพระพุทธเจ้าพูดคําไหนหรือสุบ ป, ปาพุทธทาสนี่นะพูดคาไหนไม่จริงวนไหมครับถ้าเชื่อแต่วัศการ า, าพามบอกว่าเราเชื่อ ในพระดำรักของพระพุทธเจ้าพูดคาไหนก็จริงแต่คนอย่างเราเนี่ยไม่มีทางจะถอนพูดและรับผิดชอบเองถึงแม้เราจะไปเกิดเป็นลิงเราก็เป็นลิงระดับหัวหน้าเ น, นี่ยวิธีคิดไหมอยากเป็นแบบนี้ไหมใจถึงไหมอย่างเงี้ยเนี่ยคนคนลักษณะทิศทัศนคติแบบเนี้ยครับเนี่ยวาสการะพราหมแต่ที่จะเล่าอีกฟังตอนนี้คือสัจจการนิคนไม่ถึงขนาดนั้น สตราการณนี่คนนี่ยอมจำนนมากเพราะโต้วาท่าพระพุทธเจ้าแรงมากสองครั้งเนี่ยแต่บางครั้งเขาจะมียอกย้อนพระพุทธเจ้าไประยะระยะคืออยากจะดูว่าพระพุทธเจ้ามีความโกรธไหม ย, ย, ยกตัวอย่างเช่นยอมออจนพระพุทธเจ้าให้เหตุผลมาครบเป็นเสร็จแล้วเนี่ยอพอจะจบปุ๊บแกย้อนถามพระพุทธเจ้าบอกเออข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้เจริญว่างั้นเอได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเอ พอพอตอนกลางวันก็ก็แอบพักผ่อนนะ่ะพักผ่อนตอนกลางวันเอคนที่ยังแอบนอนกลางวันอยู่เชื่อว่ายั ง, ยงมียังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมเงี้ยถามธรรนองแบบเนี้ย <laughs> คือเจาะประเด็นเก่าก็เลยคุยคุ ย, คยในเรื่องหนึ่งก็แทงกลับอย่างงี้ยนะก็ ค, คุยแล้วถ้าคุยกับคนแบบนี้แล้วถ้าคนมีกิเลสแล้วจะโกรธเลยนะครับที่คุยกันแบบมุมนี้อยู่ดีๆมันหักมุมมาแทงอีกมุมหนึ่งเนี่ยเนี่ยทํานองว่าเออเนี่ยท่านยังมีกิเลสอยู่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็เลยพูดถึงว่า การมีกีเลสกับการนอนคนละอย่างกันยังไงท่านกฟางง็ฟังขอลากลับขอลากลับลักษณะแบบเนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ดิ่งใจในการที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าเต็มที่แล้วก็แต่ในใจยอมหมดไหมข้าราชการที่คมต่างต่างกันกับวัศกาลพรามคือขัจรการที่คนนี่ยอมยอมจำน้นหมดแล้วแต่ไม่กล้าประกาศไม่กล้าเปิดเผยทีนี้ที่เล่าต่อคือว่า พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงเห็นอะไรในสัจจการที่คนจึงยอมลงทุนในการที่ไปเทศโปรดสัจจการที่คนทั้งสองครั้งครั้งแรกก็คือเทศในจุฬสัจจกาสูตรครั้งที่สองคือในมหาสัจจกสูตรเห็นอะไรรู้ไหมเห็นว่าในอนาคตอีก300ปีข้างหน้า 200-300 ปีข้างหน้าท่านผู้นี้จะเป็นพลิกจะเกิดมาในตระกูลทีหลังเนี่ยจะเป็นผู้แตกฉานในวรฒนวินัยและเป็นบรรลุปเป็นพระทหารแล้วจะเอาศาสนาจะเผยแผ่ศาสนาของพระเชษฐาเจ้าให้เจริญรุง่งเรือง พระพุทธเจ้าเห็นตรงนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงจึงจึงจึงเข้าไปโตวาทะแล้วก็ด้วยพระมหากรรณาทิคุณในการที่บอกว่าโปรดเวลานี้ก็ได้ผลระดับหนึ่งแล้วแต่ในอนาคตท่านพวกนี้จะฝังคุณของพววระพุทธเจ้าไว้ในกระแสขันธ์ธาตุยัตนะในกระแสแหงความคิดและจะฝังแน่นและในทส่สุดจึงจะพ้นทุกข์ทีนี้มีเรื่องเล่าอย่างนี้ว่าในเจติยคกขีมหาวิหารก็คือในยุคลังกาทวีปมีภิกษุรูปหนึ่งนะ เป็นผู้มีคุณสมบัติในพุทธศาสนาชื่อว่าการะพุทธรักิตะการะแปลว่าดำพุทธรักิตะก็คือผู้ที่มีเอพระเจ้ารักษาพุทธารักษา เ, เด็กคนเนี้ยเกิดมาเป็นคนที่เป็นคนที่หน้าตาไม่ดีผิวดำมากก็คือเนี่ยอดีตใครราจการที่คนแต่มีปัญญามาก แล้วต่อมาเนี่ยไปคบพระเถระรูปหนึ่งก็เกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วก็ออกบวชพอบวชแล้วก็เจริญตามหลักศินสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นไปตามลำดับในที่จริงพอบวชเป็นพระบรรลุเป็นพระอรหันต์แตกฉานมากเก่งมากและเป็นพระที่เทศพุทธคุณไว้ได้ไพเราะมากสามารถที่จะกล่าวพุทธคุณนกถาคุณของพระเจ้าเนี่ยสิบสองชั่วโมงเนี่ยไม่พูดเรื่องอื่นเลยนะครับ พลนาอิติปิษโสพระกวาทั้งน่ะไล่คุณของพระเจ้าเป็นไปตามลําดับเนี่ยว่างั้นแต่ตั้งแต่เบื้องต้นและที่สุดเป็นต้นได้มีวันหนึ่งพระเถรานท่านบรรลุแล้วใช่ไหมท่านก็เริ่มเทศที่ลังกาทวีปเนี่ยเทศกันนานนะครับเขาบรรยายแต่ละครั้งเนะี่ยก็คือบรรยายพุทธคุณคาถาเนี่ยท่านบรรยายตั้งแต่หกโมงเย็นท่านก็นะโมตัสสะพระวาโตหลับตาบรรยายปะปปะปะปคือจะพละนาคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยพละนาไปตามลําดับเลยว่า พุทธเจาอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกพระองค์เป็นพระอรหันต์ยังไงไกลจากราคะไกลจากโทสะไกลจากโมหะมานะทิฏวิเชียร์ทันไล่ไปตามลําดับเนี่ยตั้งแต่หกโมงเย็นยันหกโมงเ้ากี่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงพอครบสิบสองชั่วโมงเอตัทะโวจะพอจบเนี่ยนะปุ๊บก็ได้ยินอุบาสกคนหนึ่งอยู่ท้ายสลาน่ยสาธุดังมากสาธุสาธุสาธุสามครั้งพระเถลัก็รืมตาขึ้นมามองไป ตกใจเลยพระราชาพระราชาในเวังกาทวีปเนี่ยท่านท่านมายืนฟังธรรมะอยู่ท่านก็เลยบอกว่ามหาบรพิษมาตั้งแต่เมื่อไหร่บอกยอมมาตั้งแต่พระคุณเจ้าเริ่มเทศแล้วหกโมงหกโมงเย็นน่ะบอกโ oh, oh, อ้โหอัศจรรย์มากมหาบรพิษยืนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ยืนอย่างนี้แหละยืนประนมมือฟังอยู่อย่างเงี้ยสิบชั่วโมง บอกโหทำสิ่งที่ทำได้ยากมากพระเทลราตอบอย่างนั้นพระราชาก็บอกว่ายอมไม่ใช่ยืนอย่างเดียวนะท่านนะสติของยอมเนี่ยฟังพุทธคุณนากถาที่พระคุณเจ้าพาระนาอเทศเนี่ยจิตของยอมไม่ไปเรื่องอื่นไม่ส่งไปทางอื่นเลยฟังเนี่ยไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนความรู้สึกไปในเรื่องอื่นเลยฟังคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปตามลำดับเลย กำกับใช้จิตของตนเองเนี่ยใช้สติตนเองเนี่จับเสียงของพระคุณเจ้ากำกับเสียงของพระคุณเจ้าสมาธิก็แนบชิดติดกับเสียงของพระพุทธเจ้าพระคุณเจ้าอย่างนั้นแหละวังนันเธอแล้วก็มีศรัทธามีความเพียรมีปัญญาคีดตามที่พระคุณเจ้าแสดงตลอดไม่เคยส่งใจไปในเรื่องอื่นแม้เพียงนิดหนึ่งาทีโอพระเพระเป็นไงสาธุไหม พระบวชสาธุสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาทําได้ยากมากพระราชาก็บอกว่าพระคุณเจ้าแม้ยอมฟังขนาดนี้สิบสองชั่วโมงเยจิตของยอมก็ยังไม่อิ่มในคุณของพระพุทธเจ้าเลยขอให้พระเถระช่วยอุปมาคุณของพระพเจ้าให้ฟังหน่อยได้ไหมให้ยิ่งยิ่งกว่านั้นอีกได้ไหมพระเถระก็เลยอุปมาเลยบอกอุปมาเหมือนกับรุรษคนหนึ่งเข้าไปใน ทุ่งลานข้าวเนี่ยทุ่งนาในชมพูทวีปเนี่ยเมื่อไปถึงแล้วก็ใช้เคียว่ตัดรวงข้าวมาหนึ่งรวงมเมล็ดข้าวที่ในรวงข้าวหนึ่งรวงนั้นน่ะมีเท่าใดนั่นแหละพุทธคุณนักถาที่อาตมาเทศนาไปในคืนนี้สิบสองชั่วโมงแต่มเมล็ดข้าวที่เหลือในชมพูทวีปนั้นคือคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาไม่สามารถนำมาพารนาให้ ให้มหาวิทยิลฟังได้นี่อุปมานะข้อแรกพระราชาเว็ไงสาธุไหมพระราชตื่นเต้นพิตีเกิดก็บอกขอให้พระเทระอุปมาให้ยิ่งขึ้นกว่านี้อีกได้ไหมพระเถระอุปมาใหม่บอกมีบุรุษคนหนึ่งถือเข็มเข็มเย็บกระสอบนะครับไปที่มหาแม่น้ําในมหาสมุทรเนี่ยเอาก้นเข็มหย่อนลงไปในมหาสมุทรน้ําที่รอดรูเข็มนะ่ยวิ่งรอดรูเข็ม นั่นคือพรุทธคุณอากถาที่อธรมาเทศ12ชั่วโมงส่วนน้ําที่วิ่งไปทั้งอื่นที่อยู่ในมาหาสมุทรทั้งสิ้นเหล่านั้นนั่นคือคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งธรรมาไม่สามารถนํามาพารนากล่าวได้โหปีติเกิดใหญ่ตัวเนี้ยพระราชานะ่ยปีติเกิดตัวแทบร้อยนะครับปีติเกิดซึ้งใจในคุณของพระเจ้าบอกว่าขออุปมาครั้งที่สามให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้ได้ไหมอยากจะเห็นคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนี้ พระเถระก็บอกเหมือนนกแอนลมบินขึ้นไปนอยู่ท้องฟ้าหางของนกแอนลมปีกของนกแอนลมที่ต้องอากาศนั่นแหละคือคุณของพระพุทธเจ้าที่ามาเทศสิบสองชั่วโมงแต่อากาศในจักรวาลทั้งสิ้นที่ปีกและหางของนกไม่ได้ถูกต้องนั่นคือพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอาตมาไม่สามารถนำมาพัลนาได้จริงๆเพราะความสามารถไม่ถึงพอพูดอย่างเนี้ยพระราชานี่ก็ ร้องไห้ปีติเกิดใช่มปีติเกิดที่บอกว่าอากาศสังจักกวารันจกักสัตตาพุทธคุณาปีจกักอนันตานามจัตตารโอปริเฉโทนวิชติบอกว่าอะไรอากาศหนึ่งจักรวาลหนึ่งหมู่สัตว์หนึ่งและพุทธคุณทั้งสี่อย่างนะครับอากาศจักรวาลหมู่สัตว์และพุทธคุณ ทั้งสประการนี้หาที่สุดไม่ได้ไม่ปรากฏขอบเขตคํานวณไม่ได้ครับฉะนั้นอากาศมีเท่าไร่พุทธคุณก็มีเท่านั้นจักรวาลมีเท่าไร่พุทธคุณก็มีเท่านั้นหมู่สัตว์มีเท่าไรพุทธคุณก็มีเท่านั้นมอออกไหมอากาศจักรวาลหมู่สัตว์และพุทธคุณทั้งสี่อย่างเนี้ไม่มีขอบเขตไม่สามารถนับประมาณได้ไม่สามารถจะคํานวณได้เออพระราชาหมากษัตริย์ได้ฟังเนี่ยทำไงรู้ไหมยกแผ่นดินในรังกาทวีปถวายเป็นพุทธบูชา ถวายกันเทศถวายกันเทศเลยเหมือนใครเนี่ยเหมือนพระเจ้าตักศิลไงอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากใช่ไหมศิลาจาร์ดที่เขียนไว้วัดอรุณเคยไปดูไหมครับอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกยา ก, กู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินนี้ไว้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระโคดมให้ครบถ้วนห้าพันประวัติศาสมณะพรามชีปริบติให้เหมาะสม จเจริญสมถธาวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมลอยบาทรพระาศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราอยู่คู่พุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยืนยงคู่องค์สัตตะพระาศาสดาฝากไว้คุ ย, คยกับมิต้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกู้บานแปลงเมืองมาเสร็จก็ถวายเลยถวายเป็นพุทธบูชาเลยนะครับเรื่องนี้ไปจารึกไว้ในไหนในจดหมายเหตุของจีนนะ่ในจดหมายเหตุของจีนมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่พระเจ้าตากศินเนี่ย โกบาลแป่งเมืองได้ญาติของท่านที่เมืองจีนใช่ไหมทราบข่าวหุ้ยญาติของเราได้เป็นว่าเจ้าเป็นดินแล้วจะมาขอแบ่งเมืองเห็นไหมมาขอแบ่งประเทศส่วนหนึ่งอ่ะโอ้โหลงลําเรือกันมายี่สิบสามสิบลำเรือเรือใหญ่ในยุคนั้นมาลําเดืนินเข้ามาถึงก็เข้าไปห า, เ ข, าปเข้าไปก็ไปกราบบอกว่าเนี่ยเป็นญาติมาจากไปเมืองจีน พอมาขออย่างนั้นไปนเสรศจบุบท่านพูดไงถูกไหมท่านบอกกูอะ่ะได้ยกแผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชาแล้วแบ่งให้พวกมึงไม่ได้หรอกจบไม่งานเนี้ยโอญาติโกรธมากในยุคนั้นเน่ยแล้วก็ให้กลับมาแล้วท่านท่านก็เลยบอกเอายังไงมาหาแล้วท่านก็เลยให้ไหนะครับให้ไหใส่พวกรีเขาเรียกว่าผักเซี้ยนดองในยุคนั้นน่ะรำละห้าไหา โอ้ยพอมาได้ครึ่งทางเนี่ยก็โกรธว่าโกรธก็ไม่รู้จะนึกถึงอะไรโกรธว่าแม่ไม่ขอแบ่งแผ่นดินไม่ให้ก็ยกหาทุ่มลงน้ําแต่มันหิวไงไม่กล้าทุ่มหมดก็เลยเอากินพ่ากินไปได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือเป็นทองคําเนี่ยเลยเป็นเป็นหลักฐานยาลึกเขาไว้ฉะนั้นต่อมาเมืองคนจีนเวลาจะมาประเทศไทยในยุคนั้นจะมาทำมาหากินในประเทศไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าประเทศไทยบอกว่าหกตีหกนี่คือพระเจ้าตีก็แผ่นดินฉั้นประเทศไทยก็คือ เป็นประเทศเป็นแผ่นดินของพระพุทธเจ้าเพราะเพราะเจ้าเป็นดินถวายเป็นพุทธบูชาอย่างนี้เป็นต้นอันเหมือนลังกาเนี่ยนี่ผมยกตัวอย่างตัวนี้มาบอกว่าเขาเห็นอะไรในพระคุณของพระพุทธเจ้าจึงกล้าถวายแผ่นดินนี่พอจะมองเห็นนะครับเนี่ยตรงนี้คือต้องการให้เราได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็ พระมหากรุณาคุณนะครับของพูุทธเจ้าเนี่ยมีไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในกรณีที่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสัมภารวิบากโดยถ้าไปเรียนโดยพิสดารก็ไม่จบแต่ผมจะจับสาระแล้วก็เล่าประวัติให้กระชับที่สุดนะเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อจะให้เรานั้นได้ได้รับสาระที่ที่ดีที่สุด เส้นทางแห่งการบรรลุโพธิญาณ น, นะครับเส้นทางแห่งการบรรลุโพธิญาณอันเป็นบอกเกิดหรืออันเป็นบอกเกิดแห่งพุทธคุณทั้งหมดเนี่ยก็มองอย่างนี้ว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระบรมศ า, าสดาได้ตัดสั้รู้อนุตตรสัมมาสัมพุธิญาณที่โพธิพฤกษหรือโพธิญาณเนี่ยมันยอดเยี่ยมทีนี้ถํานับถึงการบําเพ็ญพระบารมีของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยนะ ทรงเป็นพระพุทธเจ้าประเภทไหนประเภทปัญญาที่กะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือยิ่งยวดด้วยทรงยิ่งด้วยปัญญาใช่ไหมเนี่ยยิ่งด้วยปัญญาเพราะกําลังแห่งปัญญินรียแรงมากจะมีว่าสัตทินีแรงวิริยินีแรงหรือปัญญีแรงมีสามประเภทนี้แหละแต่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาในการเจริญสั้นกระชับ ขนาดสั้นแล้วกระชับเนี่ยนะยี่สิบอสงไขยอย่างที่บอกไว้แล้วว่านับอสงไขยยังไงยี่สิบอสงไขยแสนกับกาวคือการปรารถนาเป็นพระเจ้าในใจเนี่ยเขาเรียกมโนปณิธานเนี่ยเจ็ดอสงไขยคิดในใจเนี่ยนะเจ็ดอสงไขยก็เท่ากับโรคนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนยเท่ากับเลขหนึ่งตามเลขศูนย์น่ะสี่ร้อยสี่สิบศูนย่ะเจ็ดรอบนะครับคิดอยู่ในใจเนี่ยไม่กล้าบอกใครเนี่ยนะ ถามหน่อยครับพวกเรามีคิดๆแว๊บๆแวบๆบ้างไหมคืออยากจะเป็นพระเจ้านี่มีมีบ้างไหมมีบ้างไ้มมีสักนิดนิดไหมเอ๊ะอยากเป็นเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ยมีบ้างไหมไม่มีอะไรใช่ไหมไม่อาถรรพ์กันนิดไม่อาถรรพ์นะก็ลองฟังไปเรื่อยๆแล้วบางทีอยากเป็นเหมือนกันนะทีนี้เนี่ยด้วยด้วยมโนปณิทานเนี่ยนะเขาว่าด้วยใจเนี่ยเจตปสงคขายแล้วก็ ว่าจีปณิธานคำว่าว่าจีปณิธานก็คือเป่งวาจาบอกเลยบอกกับพระพุทธเจ้าเนี่นะเจอพระพุทธเจ้าก็ไปกล้าบอกกับท่านคืออย่างนี้เวลาบุคคลที่เจอพระพุทธเจ้าแล้วเข้าไปคิดในใจอย่างเนี้ยแล้วก็มองว่าพรักพระพุทธเจ้าแล้วไปกราบเนี่ยพระพุเจ้าท่านก็รู้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีญาณปัญญาที่รู้ไม่กระทังวาระจิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วใช่ไหมครับเราดูอย่างในโสระสาปัญหา มานพสิบหกคนได้เรียนนี่ยังครับใครเรียนจบนักธรรมเอกไหมเนี่ยเออเนั่ยแหละในปรายณวัตรในปรายณสูตรตอนที่อชิตะมานพเป็นต้นเหล่านี้ที่ไปถามปัญหาเป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์พาวรีจําได้ไหมหรือจําไม่ได้แล้วเออเนี่ยเราไปดูในพระไตรปิฎกจริงๆนั้นเขาตัดย่อออกมาในเรื่องราวคืออย่างนี้เ อ, อพราหมณ์พาวรีเนี่ยอายุแก่มากเราอายุร้อยี่สิบปี เป็นคนที่มีสติปัญญาแก่กล้ามากแล้วก็ฉลาดมากคั้นจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยก็กลัวว่าจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงๆก็เลยส่งลูกศิษย์16คนนไปแต่มีข้อแม้กับลูกศิษย์บอกว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงเนี่ยไม่ต้องเปล่งด้วยวาจาถามปัญหาแล้วให้นึกในใจแค่นี้ยเดี๋ยวท่านตอบด้วยวาจาเองถือลูกศิษย์แต่ละค น, นล้วนแต่ได้ฌานสมาบัติทั้งนั้นเลยครับได้พิญญากันหวดคนในยุคนั้นเป็นแบบนั้นนะเนี่ยมันมันคือมันตื่นเต้นตรงนี้นครับ คนที่มีอภินยามีทั้งปฐมฌานตัวเตี้ยฌานตัฏฐฌานเจริญฌานมีรูปฌานด้วยและมีอภิญญาด้วยสามารถที่จะมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพใช่ไหมแต่ว่าเป็นแค่โลกิยอาอภิญยาและบุคคลเหล่าเนี้ยถามว่าเขาจะมั่นใจตัวเองไหมครับคนที่สามารถหอกก็ได้เนรมิตอะไรก็ได้เนี่ยแต่เพียงว่ายังมีกิเลสในใจอยู่ยังไม่สามารถร่าได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยเขารู้วิธีการที่จะทําทําอิทธิฤทธิในในกระแสชีวิตเขาทาได้หมด แต่เขเหลืออย่างเดียวเขกระชากกิเลสออกจากกระแสชีวิตไม่ได้เพราะไม่สามารถทําญาณปัญญาประเภทนี้เกิดได้นั้นเขาจึงเป็นคนที่มีทิฏมณะสูงใช่ไหมคนที่มีฤทธ์ก็อวดในเรื่องฤทธ์ของตนเองคนที่มีความสวยก็อวดความสวยความหล่อใช่ไหมครับคนฉลาดก็จะอวดความฉลาดตนเองมนุษย์เป็นแบบนี้แหละนี่เหมือนกันเขาก็ไม่กล้าจะไปเดี๋ยว๊ะอยู่ๆเกิดไม่ใช่พระเจ้าจริงก็จะไปยอมโซยอมซีโรราบกับบุคคนใดก็ไม่รู้อยากนั้นเลยส่งลูกศิษย์ไปก่อนก็แล้วกัน ก็เลยส่งมานพสิบหกคนเนี่ยไปบอกแล้วก็บอกปัญหาผูกปัญหาไอ้กระลุกกิะลัทุกคนทั้งสิบหกคนเลยนะปัญหาระดับเนี้ยมีระดับเดียวตอนนะั้นที่จะตอบได้คือพ้องค์เป็นพระพุทธเจ้าคนอื่นตอบไม่ได้และพิสูจน์ก่อนก็แล้วกันว่าถ้าเป็นพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริงเนี่ยไปต่อหน้าพระพักนี่นะต่อหน้าท่านเนี่ยไม่ต้องเปล่งวาจาถามให้นึกในใจถามพอไประดับแรกเนี่ยตอนนั้นก็คือโมคคราชเนี่ยโมค ร, ราชนึกก่อนเพื่อนเลยนะใช่ไหอโมคราชเนี่ย โมฆะราษบอกว่าเดี๋ยวเดฉันเดี๋ยวเราขอนึกขอขอถามปัญหาก่อนพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็นึกในใจขอถามไอ้สุนยะโตโลคังอเวชขโชเนี่ยถามหนึ่งเนี่ยถามบอกว่าว่าโลกทั้งหมดเป็นของศูนย์ยังไงไปต้นเลยเนี่ยนะจะถามปัญหาข้อ น, นี้แหละก็นึกในใจถามมองหน้าพระพักมองพระพุทธเจ้าก็ถามปัญหานี้พระเจ้าก็ยกมือห้ามบอกดูก่อนโมฆะราษยังไม่เทคสาระของเธอเนี่ยคือแค่คิดในใจเนี่ยตื่นเต้นไหมบอกเออนี่ไม่ใช่วาระของเธอเธอเอาไว้ก่อน เนี่ยให้อชิตะมานอบถามก่อนอย่างนี้ตโหตื่นเต้นแค่นี้ก็โอ้โหใช่ไหมถ้าเราไปเจอคนแบบนี้เช่นหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคิดอะไรหลวงพ่อรู้ยอมหมดนะในเนี้ย ย, ยอมไหมเดี๋ยวว่าถึงไปข้อห้องบอกให้คุณคุ ณ, คณนอนหลับบ้างนี่การมววิตกเล่นงานทั้งคืนเลยนะคุณโอ้โหตกใจเลยใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมล่ะ บอกว่าคุณคิดในเรื่องกามทั้งคืนเลยไม่ยอมนอนเลยวันนี้ว่าไงโอ้โหถ้าไปชีอย่างเงี้ยถามว่าตกใจไหมบอกโอ้โหไม่ได้ไม่กล้าคิดอยอะ<ด>ใช่ไหยใช่ไห ม, ไไหมรู้เลยยางแค่แค่เดินคิดก็เหมือนพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินไปข้างหน้าตอนนั้นพระราหุลเนี่ยบวชใหม่ๆเดินตามพรพุทธเจ้า พุทธเจ้ามีพระวรลักษณ์เนี่ยมีพระมหาวรรลักษ์มีปุธิสระขนาดสาประการนุบชนท้าแปิบงดงามมากเดินไปข้างหน้าพระราหุนก็เป็นคนรูปงามใช่ไหมทั้งกระปุงแต่กการมาคุณไปอโอ้โหพุทธเจ้างามมากนี่เราก็เป็นลูกพระุทธเจ้าเราก็งามจริงๆแม้เหมือนกับสมเภาทองลำใหญ่แล้วก็ตามด้วยสมเภาทองลำเล็กแค่คิดเนี่ยนะแม่ถ้าพุทธเจ้าเป็นจกักรพรรดิเราก็เป็นเราก็เป็นปรินายกแก้วโอ้โหเราก็เป็นเราก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ ตามพระพุทธเจ้าเลยนะว่าคิดอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าหยุดพอหยุดปุ๊บก็บอกว่าวันนี้ไม่ต้องไปบินตาบอดเด็กกาบมาวิตกเล่นงานแล้ว <c oughs> อย่างเงี้ยโควี่ไหมคนที่รู้ไหมกับทั่งความคิดน ะ, ะเราอยากอยู่ด้วยไหมคนที่รู้จากเราอย่างขนาดเนี้ยเอแสดงว่าเราก็ไม่กล้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเดนะีทั้งนั้นเนี่ยแก้งไปกาบเรียบร้อยแต่ใจคิดลา ม, มกเต็มไปหมดเลยในชะ่ไหม มีแต่การมาราคาโทสะมีราคาโทสะมอดเดีฉะนั้นทั้งบอกพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่เข้าเขา้เขาถึงได้ยากขนาดพระมก ok ข์ผ่านในสมัยครั้งพุทธกาลเวลาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยทั้งเขจะปูอาสะนะเขาไว้ไว้เลยนะครับทุกคนจะมีอาสะนะถวายพระพุทธเจ้าไว้เลยตอนนี้ปฏิบัติถ้าเกิดกิเลสกุ้มรุมปุ๊บพระพุทธเจ้าฟุบปรากฏชวหน้าเลยครับแล้วก็ชี้แจงทําไมขนาดนั้นจะเป็นร้อยเป็นพันพระพุทธเจ้าก็ดูแลได้หมดนี่เป็นขนาดนั้น ไม่น่าทึ่งจะขนาดไหนใช่ไหมคนที่บําเพ็ญบารมีมาขนาดนั้นนี่เพอะเออพวกเราเนี่ยไม่ได้เจอแค่นั้นเราจึงต้องเรียนธรรมะนี่ให้ฉลาดประดุดดังพระเจ้าอยู่กับเราทุกที่พอเกิดติดขัดเรื่องใดๆเนี่ยคำสอนพระเจ้าจะวิ่งมาที่ความรู้สึกเราทันทีประดุดดังพระเจ้าคอยคอยเตือนเราทุกเรื่องนะครับถ้าอย่างเงี้ยเขาจึงบอกทําทไมเราต้องเรียนทําไมเราต้องศึกษาคําสอนให้ชานฉลาดให้ทรงจําคําสอนให้ได้มากที่สุด สามารถกำจัดกิเลสในใจตัวเองได้ตลอดเวลาประดุดดังพระรัชยาตามเราเป็นเงาตามตัวอย่างเงี้ยนะึงต้องอย่างนั้นเนะี <c> ่ <oughs> เราไปปล่อยใจที่ยุ่งเลยใช่ไหมเดี๋ยที้เราเมื่อกี้เราทังไหนอ่ะฮะมานอปสิบหก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อย่างเงี้ยเป็นต้น้ <c oughs> <c oughs> แล้วก่อนหน้านั้นเราเรื่องอะไรฮะ เออเล่าเรื่องสัจจการนิคอนเนี่ยแล้วแล้วทำไมผมมาถึงมาเล่าเรื่องในประยะนายณวักอะฮะรู้ ว, า ร, วาระใช่ไหมคือตรงนี้พูดให้ฟังว่าปัญญาที่กาสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีปัญญารวดเร็วเนี่ยมันเป็นบารมีเ น, นึกในใจเนี่ยมโนปณิทานเนี่ยเจ็ดอสองังขยแล้ววจีปณิทานเนี่ยการเป่งวาจาต่อหน้าพระพราของพุทธเจ้าผมพูดต้องการนี้รู้ว่า ถ้าคนไปแค่คิดว่าเราจะเป็นพระเจ้าต่อหน้าพระเจ้าจึงไม่ค่อยกล้าคิดเข้าใจยังเพราะท่านคนนี้รู้ว่าจะไปรอดหรือไม่รอดไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เ, เหมือนเราไปกราบต้นพระศรีมหาโาพธิ์ไปกราบพระพุทธเจดีย์ไปกราบพระเจ้าเนี่ยนะไปสวดมนต์ไปอะไรเนี่ยไม่ใช่เล่นเพราะคนรู้ว่าละเราคือระดับพระเจ้ารู้จักเราและเทพพญาอารักษ์ทั้งหลายท่านมียานอย่างรู้รู้จักเรา เหมือนเราไปบอกว่าอารหังซัมมาซัมพูโทพระควาวิชาจริญธรรมสุตัวเนี่ยเราไปสวดมนต์เนี่ยมันต้องดูว่าตอนนั้นใจเรามันไปจริงๆริงไหมอ่ะไม่ใช่ว่าปากไปหมดทุกเรื่องเลยอ่ะสวดเนี่ยแต่ใจไม่เคยน้อมไปเลยกรณีแบบเนี้ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไปแต่พิธีกรรมแต่สภาพใจเราก็เลื่อนลอยไปทั่วเลยเนี่ยก็ห้ามถ้าอย่างนี้โอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าจะรู้จักเรา พระเจ้าจะบอกทันทีเลยทําไมทำไมเลื่อนลอยกันแบบนี้ใช่ไหมมองเห็นไหมดูก่อนโมคะวโรธจะจะออกมาแบบนี้ทำไมพวกเธอเป็นแบบนี้ทําไมจิตใจมันกุ้มรุมเลยราคาโทรศัโมหะทําไมมีแต่กิเลสเป็นเครื่องกังวลในใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นมองเห็มองเห็นหรือย่างนั่ น, น, น, นแหละถึงบอกว่าเวลาเราไปกราบพระเจ้าไปไหว้พระเจ้าต้องเตรียมตัวให้ดี บทีเราไปนั่งแล้วก็สับปะงกบ้างไหมเหมือนแค่ผ้าอนน์เนี่ยพระพญ่พระโมกคารานะเป็นไปนั่งโมกโมกง่วงที่กาลาวานนุตตคามอยู่ไหมครับเนี่ยแวบมาแล้วบอกอบายแก่ง่วงปปปบปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปเป็นอย่างปี้ปปปปปปปปปปปบปปปปปปปปปนปปปปปปปปปปปปนปพปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปนปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปีป ธรรมะวินัยจะวิ่งมาหาเราเองไม่ได้ถ้าเราไม่จําถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้ใช่ไหมละ่ะนจะวิ่งมาทางไหนล่ะวิ่งมาไม่ได้นี่ธรรมวินัยจะวิ่งมากับคนที่จําได้รู้แล้วเข้าใจเท่านั้นแหละใช่ไหมละ่ะถึงจะวิ่งเข้ามาในใจเราได้ใช่ไหมครับเออเราไปมองเห็นแต่เราไม่ได้ศึกษาธรรมะวินัยเอา้าไปมองเนี่ยมองใจดีพุทธกยาก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นตื่นเต้นอะไรเลยยีต่างอะไรกับ น, นกนกพีิลาบ <laughs> โนพีลาวา ก, าวกเา็เกาะภูเขาเกาะเจดี ย, ย์วัตถกยาแยะหมดใช่ไหมล่ะ mm hmm. จริงจกตุกแกเกาะเต็มไปหมดไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่โอ้โหเนี่ยไม่ใช่ไปมองโอ้โหสร้างได้ไงวะสร้างได้ไงวะไม่ใช่ไม่ใช่คุณวัตถยาไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับ <laughs> ฉันจึงบอกว่าจริงๆเวลามองเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วก็ธรรมะไหลเข้าสู่ใจได้เอ็มจะไหลได้ยังไงอ่ะเวลาเห็นคนแก่เห็นคนเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ย เห็นแล้วธรรมะ ม, มันเกิดไหม <Hello. S 1> นั่นเวลาพระโพธิสัตว์นะเวลาท่านเห็นปุ๊บเห็นคนแก่เห็นไหมสังเวคายานะมันเกิดเสเถอนใจบอกว่าโอ้โหเนี่ยอาการสรีรักโค้งงอผิวพรรณเหยื่อย่ น, ยนอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยค่าค่าเนี่ยเริ่มไม่รอดพอพญาที่คนเจ็บป่วยเดินแล้วดิ้นเสถีรใจไปใจใหญ่ไปเห็นคนตายเนี่ย ไม่มีทางออกแล้วเพราะการทั้งหลายมีแค่นี้เองนี่เกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรป่วนในท่ามกลางแล้วก็วิบัติไปในที่สุดทุกกระแสชีวิตไม่ว่าขอทานย็นพระราชามาหากษัตริย์ในส่วนจริงก็เกลืกลัวอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผพผะอันหน่าปรารถนาน้าใครในส่วนจริงรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้แปรป่วนขึ้นมาก็ล ะ, ล, ะละทมทุกขและสุดจริงๆกระแสชีวิตก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งอยู่ได้เป็นต้น พอมองเห็นอย่างนี้นมันไม่มีทางเดินเลยในชีวิตเนี่ยพ่อเห็นเขาว่าสมณะขึ้นมาโอ้โหเนคขมมะใช่ไหมพอเนคขมมะอัตยาศัยที่น้อมออกจากกามมเกิดเลยตอนนี้เนคขมะชาสยะเกิดตอนนี้อัธยาศัยในการที่จะน้อมออกจากกามเอออย่างเงี้ยจิตกันจะน้อมออกเห็นทางเดินเห็นช่องทางแล้วกี่เป็นต้นมันเห็นอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นไม่ได้หผ้าเหลืองแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยเป็นไหมครับโอโหตื่นเต้นตั้งแต่วันบวดวันแรกจนวันสุดท้าย ถ้าอย่างนี้แสดงให้เห็นชัดว่ามีเนื้อข ม, ม้าปะปะชะไอัธยาสัยสูงฉะนั้นกรณีแบบนี้ที่ยกตัวยอย่างว่าคิดในใจต่อหน้าพระริเจ้าพระริเจ้าก็รู้เราถ้าเปล่งวาจาเนี่ยแปลว่ากล้าเต็มที่แล้วใช่ไหมครับว่าเราไม่ใช่เปล่งวาจากับคนทั่วไปนี่หนุ่มสาวมไปคุยกันเนี่ยมันบอกว่าฉันรักเธอแต่ยิงไม่รักจริงออกมันกล้าพูดใช่ไหมเพราะไอ้คนนั้นไม่รู้เอยากเราจริงใช่ไหมเอาถ้าเรา ถ้าไปพูดกับคนที่เขารู้ว่าละจิตแล้วโอ้โหผมศรัทธาพระเจ้ามากครับถ้าเขารู้จักความคิดเราเขาจะมีความรู้สึกกับเราอย่างไงนี่นี่มานั่งโกหกอะไรกูฟังอยู่มัหมใช่ไหมเนี่ยกรณีอย่างนี้เหมือนกันนะพระเจ้าเนี่ยรู้ว่าละอย่างเงี้ยรู้แม้กระทั่งว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จท้านบอกว่าเปล่งวาจานี่ยเก้าและด้วยกายด้วยวาจา ร, รวมกันนะที่จริงกายวาจาใจนั่แหละรวมด้วยอีกสี่ อีกสี่สรุปก็คือว่าคิดด้วยใจเจ็ดวจีปนิธานเก้าเป็นเท่าไหร่แล้วครับแล้วก็ทั้งกายวาจาอีกสี่รวมเป็นยี่สิเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยก็ยี่สิบอสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนหมหากับพระโพธิสัตว์ของเรานั้นคิดในใจเนี่ยนะเจ็ดอสงไขยด้วยวาจาเก้าสงไขยด้วยกายและวยวาจาอีกสี่อสงไขยยังได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ระยะเวลาเวลาเนี่ยการเวลาแห่ง ศาสนาพระุทธเจ้าถ้ากล่าวไว้ในคัำพีสัมภารวิบากเนี่ยนะผมจะสรุปอย่างนี้ก็คือว่าศาสนาของพุทธะพรหมเทวะถึงสมเด็จพระปุราณาสักยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าในเจ็อสงไข่เนี่ยเป็นการปรารถนาด้วยใจนี่ปรารถนาด้วยใจแล้วตั้งแต่พระปุราณาสากยามุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรนนะ อันนี้ก้าวอสงไขยอันนี้ปรารถนาด้วยวาจายันพรัทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านะตรงนี้ไปถ้าเราไปอยู่ในจริยาปิดก็เริ่มตั้งแต่นี้เริ่มตั้งแต่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าคขภีรพุทธวงศ์เป็นต้นเหล่านี้นะถ้าเราไปคนในพระไตรปิฎกเนะี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่นี้แหละแต่มีคัมภีร์นอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์สัมภารวิบากก็ดีนะหรือคำพีหลังๆขึ้นมาที่ภาวนาเนี่ยก็จะมีการภาวนาก่อน หรือในบทที่เราสวดกันสัมพุทธเทอัทวีสัญจาเนี่ยเนี่ยก็จะสอดคล้องกันจากการป ร, รารถนาด้วยใจด้วยวาจาแล้วก็ด้วยกายด้วยวาจาเป็นต้นเราเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ตั้งแต่พระทีปังกรนะตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงพระปทุมมุตระเนี่ยเสียสงไขยตั้งแต่พระธเจ้าปทุมมุตระจนถึง พระพุทธเจ้ากัสปะอีกแสนกับรวมเป็นเสียสงไขแสนกับนี่เป็นการปรารถนาด้วยกาย้ดยวาจาแยกออกเป็นสมการนะหนึ่งบาบารมีเริ่มแรกพราบารมีเริ่มแรกเอในเล่มเล็กๆก็น่าจะพอมีกล่าวเขาไว้นะเริ่มแรกก็คือว่าเริ่มตั้งแต่ตั้งปณิธานปรารถนาต้องการพุทธภูมิในใจเป็นครั้งแรกตอนนั้นเสวยวัชชาเป็นมานพ หนุ่มแบกมารดาข้ามมหาสมุทรอันนี้กล่าวไว้ในสัมภารวิบากในเอออันแรกนรเนี่ยในเรือนเนี่ยเห็นมไหมภาพเนี่ยอันนี้กล่าวไว้ในคัมภีสัมภารวิบากเนี่ยอันนี้เหมือนไม่เหมือนพระมหาชนกนะต่างกันนะอันนี้แบกมารดาแบกแม่อือในเรื่องย่อๆเล่าอย่างนี้ในการอดีตการประพัติศาสตร์เกิดเป็นคนยากจนในเมืองคันทาระ ทันทาร่าในปัจจุบันก็คืออาบกับนิฐานนะ่ะอาบกับ น, นิฐานเนี่ยคันธาระะ่าเก็บผักหักฟืนด้วยตนเองเข้าปา่าขายของขายของป่าเนี่ยขายปืนขายผักเนี่ยเลี้ยงแม่อยู่มาวันหนึ่งอะ่ะกําลังแบกฟืนอยู่อย่างนั้นแหละล้มลงครัหนักแดดเผาก็หายน้ำก็นั่งพักที่ต้นไทรอะก็เลยลำพึงว่าเอ๊ะเนี่ยเราเนี่ยขนาดเรายังมีเรี่ยวแรงขนาดนี้มันยังเหนื่อยขนาดนี้ เออถ้าเราแก่ตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะไหวไหมเนี่ยชีวิตมองออกไหมถ้าขืนเรามาทํามาหากินอยู่อย่างเนี้ยเราจะเลี้ยงแม่ไหวไหมเนี่ยเราจะมีทรัพย์หาทรัพย์จากที่ไหนว่งั้นเถอะเริ่มคิดแล้วไอความรู้สึกว่าอยากจะหาวันกินวันทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดแล้ว <c oughs> ทีนี้พอความคิดเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ย ก็ล้พึงว่าขณะนี้เรายังมีเรี่ยวแรงอยู่พอจะทนต่อความหนาวความร้อนเป็นต้นเหล่านี้ได้พอเราแก่เท่าไปแล้วเนี่ยเวลาเจ็บไข้ไม่อาจจะทนทุกข์ได้อยากข น, น้นเลยเราจะไปสุวรรณภูมิแล้วออคาว่าสุวรรณภูมิมีในชาดกหลายที่หลายแห่งนะคําว่าสุณสวรรณภูมิเถียงกันมากคําว่าสุวรรณภูมิไว้ที่ไหนมายุกหลังๆเนี่ย นักการศึกษาทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายก็พากันโต้เถียงอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่านู่นแหละที่บรอนฟุตโธใช่ไหบโบรอนฟุตโธอยู่ที่ไหนอินโดนีเซียถ้าพม่า ก, ก็บอกเมืองเซเธอร์ใช่ไหมประเทศไทยก็บอกว่านาคนปรปฐมเถียงกันอยู่นี่แหละเถียงกันมาหลายปีมากเลยเนี่ยตกลงกันไม่ได้นะเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เวลาเราสร้างสนามบินที่นี่เคยตั้งว่าสนามบินสุวนรณภูมิมันเถียงกันตอนนี้จริงจริงมันเถียงกันต้องให้คนกลางตัดสินนะถ้าถามฝรั่งว่าสวรรณภูมิอยู่ไหนตอนนี้ฝรั่งจะงบอกว่าไงบอกว่าไทยแลนด์หมดกันเดี๋ยวเล่าเรื่องเสริมได้นี้นิดหนึ่งพอฟังเรื่องสุวรรณภูมิ ที่ใครเคยไปที่อู่ทองไหมครับอํเาเภออู่ทองสุพรรณบุรีมีที่เขาทำเทียมเนี่ยแล้วก็ไปเจอในพระเ จ, เจดีเขาก็ไปเห็นเป็นศิลาจารึกเขียนเป็นภาษาสันสกฤตเขียนคบว่าบุษยศิครีบุตรศิ雅ในแปลว่าดอกไม้คีรีก็คือภูเขาอยู่หมือกภูเขาดอกไม้เออมันเกี่ยวอะไรอะไรเนี่ย แล้วก็มีโลภะสามองค์เป็นเครื่องปั้นดินเผาในยุคนั้นเขาก็คือหากันว่าเออหรือนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสุวรรณภูมิเนี่ยแหละมันคําว่าบุษยคืรีคําภูเขาดอกไม้สืร์ไปในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชเ อ, อที่แคว้นกริงคะเป็นแคว้นที่ก่อนที่พระเจ้าโศกมหาราชจะเป็นวระเจ้าเป็นดินเนี่ยจะขึ้นสถาปนาเป็นพระเจ้าเป็นดินเนี่ย พระเจ้าโศกเคยยกกำลังไปลุยควานเนี่ยไปเข็นฆ่าไปรบกับคว้านเนี่ ย, เ ล, น เ, นยเล่นประชาชนตายไปหลายแสนที่ขนาดว่าอยู่บนหลังม้าเนี่ควบไปในเลือดเนี่ยขึ้นมาเปินข้อม้าเลยข้อเท้าม้าเลยเก็สลดใจตรงนั้นพออยู่ต่อมาได้รับราชาพิเศษขึ้นมาแล้วปราบญาติของตนเองด้วยฆ่าญาติตนเองไว้ตั้งเก้าสิบกว่าคนนึงฆ่าพี่น้องรวมท้องแล้วก็ปราบแล้วก็ขึ้นเป็นราชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วต่อมาก็ได้ ฟังธรรมมาจากนิโคสัมเนนต่อมาก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็บรบรุงพุทธศาสนาแล้วก็ต่อมาไปสร้างวัดวัดที่แคว้นกะลิงคาเนี่ยชื่อว่าวัดบุตรยคิรีวัดนี้เป็นศูนย์กลางในการส่งพระไปเผยแผ่ว่าพุทธศาสนาทั้งเก้าสายสายหนึ่งก็คือพระมหินทาเทละเป็นต้นเหล่านี้พร้อมทั้งข่วมคณะไปที่ลังกาอีกสายหนึ่งก็คือพระโสรณอุตละก็มาสวนนภูมิเป็นต้นเหล่านี้ยเขาเลยสานนิฐานกันว่า เอ้มันเชื่อมโยงตรงนี้เขาก็พยายามจะยึดโยงกันนะว่าเอ้สงสัยเป็นไทยแน่ๆเลยมั้งคงจะเป็นนี่แหละเขตไทยนี่แหละเป็นศูนย์กลางลก็เลยออกมามุมนี้กันนะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสุวรรณภูมิก็มีทั้งพ ม, มา่าอินโดนีเซียโรบูโอลเดอะเนี่ยเป็นเป็นกินกินกว้างไปทัทง้งทัทั้งแถบก็เลยบอกว่าแต่ศูนย์กลางต้องอยู่ตรงนี้ก็เ <c> ล <oughs> ยว่ากันไปอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่มันหาก็ ถึงจะเถียงกันยังไงมันก็ยอมกันยากันแต่ประเด็นก็คือให้รู้ว่าก็แถบนี้ทั้งหมดนี่ก็เหมือนกันเนี่ยที่กล่าวไว้ในคัมภีร์นี้ก็กล่าวถึงในเรื่องของสุสวรรณภูมิเหมือนกันมานพหนุ่มเนี่ยก็เลยคิดว่าตนเองเนี่ยจะไปค้าขายที่สุวรรณภูมิเนี่ยนะเนี่ยในในเริ่มแรกในการกล่าวถึงคัมภีร์สัมภาระวิบากเนี่ยนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ทีนี้ พอคิดอย่างนั้นแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยก็เลยบอกว่าต้องการที่จะไปสุวรรณภูมิพร้อมทั้งพ่อค้าทั้งหลายเร่อเอาเรือสําเพาเนี่ยพอครบถึงวันที่เจ็ดพวกต่อมาเนี่ยท่านก็เลยไปขอร้องจากในเรือเนี่ยต้องการอยากจะได้เงินได้ทองมาเลี้ยงแม่เป็นต้หรอยเนี้ยก็พามารดาไปโรงเรือสาําเพาเพื่อจะเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกจ้างประจําในเรือนั้นแล้วก็ไปเมืองสุวรรณภูมิ ตามพ่อค้าที่เขาจะไปค้าขายกันในยุคนั้นน่ะพราะเรือก็ออกจากเดินทางในมาหาสมุทรพอถึงวันที่เจ็ดคันนั้นพวกพ่อค้าเกิดพอถึงวันที่เจ็ดเนี่ยเรือก็อับปรางในมาหาสมุทรเนี่ยนะเรือก็เกิดอับปางถ้าในในพระมหาชนกเนี่ยตอนเรือที่จะอับปางนั้นเน่ยพระมหาชนกก็สมาทานสิขาบอสใช่ไหมเขาพากันร้องหาที่พึ่งกันทั้งหลายเลยเนี้ยท่านก็คิดอีกมุมหนึง่ง ท่านก็ไปเตรียมเอาพวกเนยใสยเป็นต้นเหล่าเนี้ยมาทาตามตัวแล้วก็วันนั้นเป็นวันอุโบสถท่านก็สมาทานสิกขาบทหลังจากเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็ไปยืนขึ้นเป็นขึ้นขาเสากระดงเรือเรือที่ค่อยๆจมลงจมลงอ่ะแล้วท่านก็กระโดดไกลๆบรรดาบุคคลเหล่านั้นที่ถูกเรือดูดเข้ามาก็ดีสัตว์ร้ายทั้งหลายก็มากินเลือดก็ก็ฉุดไปหมดท่านก็โดดให้ห่างแล้วก็ว่า้น้ําไปงี้เป็นต้นส่วนในเรื่องเนี้ยจมเหมือนกัน ท่านเอาแม่ขี่คอแม่ในภาพเอาแม่ขี่คอแล้วก็ไหว้ในขณะที่กําลังไหว่อยู่นั้นนะ่ะท่านก็แบกมารดาเพื่อจะฆ่าหมาสมุทรทีนี้ท่านมีความคิดอยู่ตลอดเวลาบอกว่าเราตายไม่ได้เราจะต้องแบกแม่เนี่ยแล้วก็พาแม่ให้เข้าถึงฝั่งให้ได้ด้วยวิริยะด้วยอุตสาหาด้วยความเพียนด้วยความกล้าเนี่ยคือใจของคนเรามันไม่เท่ากัน เหมือนเด็กที่ไปติดในถ้าเนี่ยนะถ้าคนเคยเข้าถ้าจะรู้ผมเป็นเด็กๆผมเคยเข้าถ้าแล้วผมเคยหลงมันจะมีนะเวลาเข้าไปในปุ๊บเนี่ยถ้าคนใจไม่ถึงมันจะร้องไห้มันจะไปไม่เป็นแล้วมันจะแรงที่เคยมีกําลังกายกําลังใจที่มีทั้งหลายมันหมดเนี่ยพอหมดมันไปไม่เป็นนะคนเราก็เหมือนกันเวลาประสบปัญหาเนี่ยเราจะรู้ว่าใครก ล, กล้าหรือไม่ก ล, กล้าต้องเจอปัญหาโดยเฉพาะนักบวชเนี่ย ถ้ายิ่งเจอปัญหาหนักๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าตนเองเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งผมไปที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับไมเจอพระพระป่วยเยอะนั่นจะเห็นชัดเลยพระที่มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจหรืออ่อนแอทางด้านจิตใจมีพระอยู่รปหนึ่งนะครับเลี้ยงนกนะครับเลี้ยงนกเอาอาหารไปให้นกทุกวนันทุกวนัไนไอ้นกตัวใหญ่ๆ ใ, ในกรงอไม่รู้เลี้ยงนกอีธาต์ไหนมีอยู่วันนึงพอเข้าไปใกล้ๆปุ๊บเนี่ยไอ้นกมัน มันเอาหัวออกมาจากกรงแล้วมันจิกจิกมาที่ตาท่านเนี่ยจึ๊กจั ก, จกสองข้างบอดหมดเลยครับอ็โหร้องไห้พระรูปเนี้ยเป็นเดือนสองเดือนก็ยังร้องไห้อยู่นั่นแหละอันนี้บอกบอกให้เห็นชัดว่าอะไรเป็นคนที่มีจิตใจไม่เข้มแข็งซึ่งซึ่งในบรรดาบุคคลที่จะเข้มแข็งที่สุดไม่มีใครเกินนักบวชใช่ไหมครับอันนี้หมายถึงนักบวชแท้นะนักบวชจริงๆเนี่ยจิตต้องเข้มแข็ง เวลาเจอปัญหาเนี่ยกับเผชิญในสมัยคัพุทธการเราจะเห็นชาตตอนที่มีภิกษุสามสิบรูปไปปฏิบัติธรรมใช่ั้ยครับแล้วก็ไปตั้งกติกากันบอกว่าอ่สิบห้าวันนะครับเราถึงจะมาพบกันทีลงอุโบสดแต่ในระหว่างสิบห้าวันนี้นะครับเราจะไม่ทำความลำบากใจให้แก่กันและกันก็คือท่านจะไม่คุยกันนะวังเออ จะไม่รบกวนกันจะไม่ทํำเพื่อนกันให้ลําบากใจอะไรไปต้นนี้ต่างฝ่ายต่างก็ขนขวายไปวินทบาทกลับมาเบ็ดเสร็จตามคนต่างฉันก็ขนขวายในการบําเพ็ญเพียรกันอย่างอุกฤษนะครับทีนี้ในป่านี่มีเสือเสือมันก็มันอยู่ในในกรดนี่เสือมันก็เข้ามาทบมาดึงไปวันละคนสองคนไปเงี้ยวันละคนวันละค น, ล, คนลากไปกินเลยพอสิบห้าวันปุ๊บเหลือแค่สิบ้าองค์จากสามสิบรูปเนี่ยก็ตกใจว่าเอ๊ะพวกเราไปไหนเนี่ย แสดงว่ามีสิ่งหลายๆเกิดขึ้นในหมู่พวกเราเพราะเราไปตั้งกติกาว่าไม่ให้ไม่ให้ส่งเสียงดังเออะอะวยวายไปรบกวนกันนี่แหละก็เลยทํากามกติกานั้นของหมู่สงฆ์นั้นก็เลยบอกว่าอยากกันนั้นเลยเราอยากกันนั้นเลยว่างั้นต่อไปถ้าเกิดมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นให้ร้องเรียกกันได้โดยไม่ผิดกติกาใดๆเพราะคืนนั้นน่ะได้เรื่องเลยมีพระรูปหนึ่งกําลังเผลอเลออยู่มีเสือมามาประกบ แล้วก็ลากท่านเนยเพราะกัดได้หน่อยนึงก็ลากดึงกัดกัดที่ขาท่านก็ลากลากลา ก, ลากไปนะท่านก็ร้องไงร้องเรียกบอกว่าให้พระนั้นช่วยพระได้ยินงั้นก็พากันมาจุดคบเพลิงแล้วก็วิ่งวิ่งออกมาเนะยเสือมันก็ลากวิ่งขึ้นไปนะลากขึ้นไปบนหน้าผาเรียบร้อยแนละ้วพระไม่สามารถตามขึ้นได้เสือมันเกาะได้เสือมันเกาะหน้าผาลากขึ้นไปเลยลากขึ้นไปเรื่อยพอไปส่องไฟเห็นอย่างนั้นแล้วพระทํำยังไง พระที่ตามมาสิบสี่รูปเนี่ยก็ไม่สามารถจะช่วยได้ก็เลยตะโกนบอกว่าท่านมหาท่านบุรุษแต่ท่านสาัตบุรุษเอ๋ยเขาจะเขาจะพูดกันแบบนี้นะถ้าเป็นภาษาภาษาที่มันคำว่าสาัตบุรุษนี่แปลว่าอะไรบุคคลที่ประกอบไปด้วยศรัทธานะมั้ยรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลรู้จักชุมชนคือบุคคลที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาท่านบัณฑิตเอ๋ยเนี่ยเรียกกันอนี้ ตามธรรมดาเนี่ยการที่จะบรรลุเข้าถึงคุณธรรมระดับสูงก็ช่วงเวลาที่เจอปัญหาหรืออุประสทที่อุกฤษกีิสุดของชีวิตนี่แหละว่า ง, งั้นพอพูดเตือนแค่นี้ได้สติไหมได้สติทันทีเลยพระรูปเนี้ยท่านคมปุ๊บโอ้รู้ขอบคุณเพื่อนที่ตามตรโกนบอกอย่างนั้นเลยท่านก็รีบคมใจตัวเองจากความกลัวทันทีตั้งสติสมบูชัญญาปุ๊บ ผ้าเหล่านั้นมองสักพักก็พากันกลับรีบไปขนขวายว่าเราก็ไม่ไม่ไม่ไมไมปลอดภัยทั้งสารวัตรไม่ปลอดภัยแบบนี้ทุกคนก็เร่งไปขนขวายในการบําเพ็ญเพียรกันท่านก็เริ่มกําหนดครับ <c oughs> พิจารณาศีลของทนเองว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยจนถึงวันนี้ที่เสือกัดล่าขึ้นมาบนหน้าผาเนี่ยท่านพิจารณาถึงทั้งปาฏิโมกข์สังวรศีลอินเดีเยสังวรศีลอาชีวบระดิษฐิติศีลปัจจยสันนิสิตาศีลใช่ไ้มพิจารณาศีลศีลองศีลท่านเออไม่มีขาดตกบกพร่องใดๆเลย พอพิจารณากายก็สะอาดวาจาก็สะอาดอาชีพก็บริสุทธิ์ปีติเกิดไหมครับเกิดทันทีเลยพออานาจของปาโมดปีติเกิดเนี่ยปีติในใจเกิดขึ้นมาเนี่ยสุขเริ่มความสงบเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นสมาธิตั้งทุกเวทนาหายไหมหายทันทีเลยทุกขเวทนาจากเสือกําลังกัดขาอยู่อะท่านก็เริ่มพิจารณาอยู่เนี่ยพิจารณาเวทนาเข้าทางช่องนี้เลยนะครับทุกเวทนาแล้วก็กลับกายมาเป็นสุขเวทนาเนี่ย พิจารณาตรงนี้ขึ้นมาเบ็ดเสร็จหลังจากข่มนิวรธรรมได้แล้วก็เดินจากสายเวทนาเขาสงกายญานุปัสนาเวทนาจิตาธรมมาประชมองคมากได้ได้เป็นพระโสดาบันเท้าทั้งสองขาดว่ดวีข้อเท้าอะ่ะเสือมันกินกินข้อเท้าขาดนะครับพอขาดได้สองเท้าปุ๊บได้เป็นพระโสดาบันครับหยุดไหมท่านไม่หยุดท่านพิจารณาต่อพิจารณาต่อเรื่น ๆ, ๆเข้าสมาบัติเข้าสมาธิแล้วก็พิจารณาต่อกัดมาถึงหัวเขา่า ได้เป็นพระส ก, กาทาคาส ก, กาทาคามีมรักสกาทาคามีผลเกิดโ ห, หน่าเชื่อใจไหมเนี่ยเห็นไหมบอลโลยังหลุดลุยเอาไหมครับบอลโลแบบนี้อ่าทีนี้พิจารณาต่ออีกท่านไม่หยุด <ś led> พอมาถึงตรงนี้ถึงสะโพกเนี่ยอนาคามีมรกอนาคามีผลเกิดได้เป็นพระอนาคามีแต่กุดไปครึ่งตัวแล้วด้วนไปครึ่งตัวแล้วแล้วกัดมาเรื่อยกัดกระเพาะ ปัสาวะกระเพาะอะไรกัดกๆดกดเลยเกือบจะถึงหัวใจแล้วใกล้ตายแล้วเลือดเริ่มทะลักทะลักทะลักของท่านก็บรรลุเป็นพระลรหานพอได้เป็นพระลรหานท่านก็ปีติเกิดท่านก็พิจารณาบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, เนี่ยชีวิตนี้เราทําที่สุดแห่งทุกได้แล้วพอพิจารณาเบีดเสร็จอย่างเนี้ยแล้วท่านก็ปรินิพานคาปากเ ส, เสือนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าชีวิตตสมรีศีบุคคลคือทั้งชีวิต กับทั้งกิเลสมันไปพร้อมกันเลยครับไปพร้อมกันสมดุลกันเลยไปแกกิเลกก็หลุดกระแสชีวิตก็หมดหมดการเวียนว่ายตายเกิดเออปรินิพานคาปากเสือเลยครับอยากไหมอธิษฐานบ้างไหมอยากจะเจอปัญหาแบบนี้ไหมม <c oughs> ันโรคคาปากเสือแบบนี้มันมันเท่ดีไหมอะฉันว่าเท่ไหมเ <c oughs> นี่ยเอาวิกฤตเป็นโอกาสฉะนั้น ตั้งปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าเจอปัญหาให้หนักกว่านี้แล้วให้บรรลุครับค า, าอะไรก็ได้รถชนโตมขาขาดพิจารณาเป็นพมัสดาบันเลยแล้วมีคนมาช่วยลากไปลากมาขาดอีกทอด น, นึงเป็นมัสกาตาคา่ะกว่าจะขาดหมดกว่ารถคันหนึ่งจะวิ่งมาทับอีกเป็นผ้านาคากว่าจะมาทับเหลืออีกอีกคันหนึ่งจะมาทับสมองบอดีนี่เป็นผ้าละหันก่อนบอดีเลย่างเงี้ยเนี่ยเป็นชีวิตเต่าสมรภสีสีมงคลเอาไหมแบบนี้เอาไหมครับ เมืบรรลุแบบกระล่องกระแร่งเลยนะแต่ว่าอย่างเงี้มันน่าบรลุนะใช่ไหมครับเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยวิกฤตย่อมได้มีโอกาสเสมอไม่ได้ท้อนะไม่ได้มองเห็นว่าโอ้โหวิกฤตครั้งนี้ตัวแดงแย่แล้วไม่ใช่เลยกลับเป็นโอกาสในการที่จคนขวายได้ทุกขนาทุกเวลาเลยนะนี่พุทธศาสนาเป็นอย่างนี้มีนี่รูปหนึ่งนะครับอีกรูปหนึ่งอันนั้นท่านทิ้งทรัพย์นะครับทิ้งทรัพย์เนี่ยไปบวชทิ้งทรัพย์ไปห้าสิบโกรธโกรธละสิบล้านนะครับ เป็นคนรวยมาบวชผมเจอพระรูปหนึ่งเนี่อพ่อท่านรวยมากพ่อท่านรวยมากพ่อท่านเป็นชาวมาเลเซียแล้วก็มีทรัพย์เยอะหลายหมื่นล้านเป็นหมื่นเป็นหมื่นล้านเหรียญก็คนรวยนี่ยเรวยจริงจริงวันก่อนมีโยมคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะว่ามีคนโยมคนนึงเขาบริจาคเขาเป็นคนเมริกาบริจาคทรัพย์เจ็ดสิบล้านเหรียด สองหมื่นกว่าล้านก็บริจาคเมื่อไปเจอผ้ารูปหนึ่งเนี่ยมาอยู่ในไทยเนี่ยพ่อท่านเป็นชาวมาเลเซียเออท่านรวยมากรวยที่สุดเป็นลูกชายคนเดียวแล้วเออเกิดเบื่อนายยังไงรู้ทิ้งทรัพย์ บ, บวชเออเนี่ยนี่เหมือนกันเนี่ยในใ น, ในคัมพีเนี่ยท่านก็ทิ้งทรัพย์แล้วก็ออกบวชทีนี้พอออกบวชแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าทาง ทางน้องชายมีภรรยาภรรยาของน้องชายเนี่ยกลัวไอ้เจ้าเนี้ยจะกลับมากลัวพระกันจะกลับมาเอาทรัพย์ก็เลยจ้างโจนเนี่ยแล้วจ้างพวกโจนเนี่ยไปตามฆ่ามีอวันหนึ่งท่านอยู่ในป่าท่านไปประพฤติปฏิบัติอยู่พวกโจนก็ไปไปก็จะไปฆ่าท่านเน่แะแต่ก็บอกตรงๆว่าเนี่ยเขาจ้างให้มาฆ่าท่านก็บอกว่าขอโอกาสสักคืนหนึ่งได้ไหมอย่าเพิ่งฆ่าท่านตอนนี้เลย ถ้าตายตอนนี้สวยเข้าใจมันยังเป็นปุถุชนอยู่เออพวกโจรก็บอกว่าผมมีอะไรเป็นหลักประกันเพราะผมรับค่าจ้างมาหมดแล้วท่านก็เลยบอกว่าท่านก็นั่งอยู่ท่านก็เลยเอาก้อนหินนะครับรากก้อนหินมายกขาขึ้นพาดบนก้อนหินแล้วท่านก็ทบทบเต็มที่นะครับปั้งปังขาข้างนี้หัก แล้วก็ยกอีกข้างหนึ่งพาดบนบนหินก็ทบอีกปังปังหักทั้งสองเลยครับทบจนขาแหลกแล้วท่านก็ถามโจรว่านี้ถือว่าเป็นหลักประกันได้ไหมโจรบอกโอเคเป็นหลักประกันได้โจรก็ไปกินเหล้ากันอยู่ไกลๆท่านก็เตือนตดวเองเรามีเวลาเพียงสิบสองชั่วโมงถ้าทำที่สุดเหงทุกไม่ได้ก็สวย แล้วท่านก็เริ่มพิจารณาถึงศีลตัวเองว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยไม่เคยทุศีลไม่เคยทําศีลในวิบัติเลยไม่ว่าเดปาดิโมกสังวรศีลก็ไม่เคยวิบัติอินทรีย์สังวรศีลก็ระมัดระวังอาชีวประดิษฐ์ทธธี่ศีลการเลี้ยงชีพก็ถูกต้องปัจจยศินสนิ จ, จิตศีลใช้ปัจใจศีลทั้งหลายก็มีปัญญาในการประกำกับพิจารณาปิติข่มทุกขเวทนาได้เนี่ยท่านทําอย่างเงี้ยครึ่งคืนเองครับถ้าท่านได้เป็นรู้ ในในใ น, ในภาษาศาสนาเป็นแบบนี้นะวิกฤตกับกลายเป็นโอกาสเสมอถ้าเข้าใจแต่ประเด็นก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระนักบวชในสมัยก่อนเนี่ยเป็นพวกที่มีใจมีพลังกันหมดเลยครับซึ่งแปลกมากยกเนี่ยในบรรดาออนแอร์ที่สุดกับกลายเป็นนักบวชเอออันนี้อันนี้ไม่ใช่ไ้ว่าซึ่ ง, ซ, งซึ่งมองโดยทั่วๆไปนะครับพอไม่ได้อาหารตามเวลาโกรธไหมครับ มันหงุดหงิดขึ้นมาเลยใช่ไหมได้ที่อยู่ไม่ดีก็หงุดหงิดได้อาหารไม่ดีก็หงุดหงิดได้เครื่องนุ่งห่มไม่ดีก็หงุดหงิดและโดยมากเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นักบวชถูกเอาใจมากพอไปเจอปัญหาขึ้นมานักบวชมักจะทนไม่ค่อยได้เออมายุคเนี้นะครับถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเราจะเห็นได้ชัดว่ายุคนี้นักบวชถูกด่ามากที่สุดและนักบวชเนี่ยไปนะที่ไหนเนี่ยคนไม่ค่อยศรัทธามากที่สุด เออเนี่ยมันเป็นผลที่ว่ามันเป็นยุคที่มันน่าจะต้องหาเอาวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสในการที่ฟันฝ่าดีที่สุดนะคะยุคนี้ถ้ามองไปแล้วเป็นยุคที่ดีที่สุดถ้าเราไม่ปรับในยุคนี้ก็ไม่หมดโอกาสปรับจริงๆนะเราคนอื่นเขามาจัดแจงเราเรียบร้อยแล้วทีนี้ไม่ต้องให้เราจัดแจงกันเองแล้วตอนนี้คนอื่นก็จัดแจงแล้วและจัดหนักด้วยเขาค่อยๆจัดหนัก แต่ข้าวแต่ข้าวเนี่ยเล่นแรงงานเนี่ยนักบวชโดนแรงที่จริงตรงนี้ไม่ควรทุกมันน่าจะเป็นโอกาสเพราะว่าอย่างเราเนี่ยมันมาจากคนไม่มีบ้านกันทั้งนั้นใช่ไหมครับสระหมดแล้วงัน้นแหละสระบ้านสละเรือนสละเย้าสระเรือนกันมาทั้งนั้นโดยโดยหลักการคืออย่างนี้นักบวชเนี่ยถ้าเราไปดูในสามัญญผลสูตรใช่ไหมอณิสงที่เกิดขึ้นจากการบวชเนี่ย ที่ว่าพระเจ้าชาติตัวถามพระพุทธเจ้าก็จะไปดูว่าอ๋อการบวชจริงๆก็คือเราไม่ต้องการเป็นขี้ข่าใครไม่ต้องการเป็นลูกน้องใครข้อต่อมาก็ไม่ต้องการจ่ายภาษีาอุกรเพราะนักบวชไม่มีไรายได้หลักการกๆๆนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องการมีความสุขจากศีลมีความสุขจากสมาธิมีความสุขจากปัญญาไปต้นไปตามลําดับอันนั้นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นจุดหมายของพวกเราอยู่เป็น้นงั้นตรงเนี้ยการบําเพ็ญบารมีเท่ากับการชี้เห็นก็คือต้องเจอวิกฤต ถ้าไม่เจอวิกฤตไม่เจอปัญหาไม่เจออุปสรรคสั ม, มาสัมโพธิเกิดไม่ได้งั้นส ม, มาสัมพุทธะเนี่ยปจเจพุถะหรือสาวกา พ, พุทธะเนี่ยต้องเจอปัญหาหมดเลยฉะนั้นการที่จะบาเพ็ญบารมีได้ดีที่สุดก็คือเจอปัญหาคนไม่เจอปัญหาจะไปบาเพ็ญบารมีอะไรใช่ไหมต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคเหมือนนี้เหมือนกันเนี่ยอย่างเริ่มแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกพวก่อค้า พอหลังสำเพออับปลางเลยในวันที่เจ็ดเนี่ยพวกพ่อค้าพากันตายแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยแบกมารดาว่ว้ข้ามมหาสมุทรแต่ยังข้ามไม่ได้ในครั้งนั้นเนี่ยนุ่นร้อนไปถึงเท้ามหาพรหมเพราะในสุดทาวาสพรมเนี่ยในสุดทาวาสพรมเนี่ยก็คือว่ามีอวิหาอัตปาสุทัสสสสีศสเนธะใช่ไหมครับ้หาห้าชั้นเนี่ย มีข้อแม้ว่าใครจะไปเกิดในหชั้นเนี่ยต้องเป็นผ้านาคาเท่านั้นแล้วก็ไปบรปลรลุผ้าหลังหันบนนั้นก็ว่ากันไปนั้นบุคคลที่เป็นผ้านาคามีจะอยู่ในชั้นนี้ถ้าเป็นบุตุชนไม่ละก็สุดท้านเนี่ยก็แปลว่าพ ว, พวกสะอาดเนี่ยสถานที่ที่อยู่ของคนที่ไม่มีกิเลสหรือมีเหลือน้อยที่สุดอย่างต่ําก็คือเป็นพระโซดาเออเป็นเป็นพระเป็นผ้านาคาผ้านาคาที่ยิ่งด้วยศรัทธาอยู่ชั้นหนึ่งยิ่งด้วยความเพียรยิ่งด้วยสติยิ่งด้วยสมาธิยิ่งด้วยปัญญาใช่ไหม จะมีคำว่าอาวิหาอตตปาสุทัศสาสุทัศสีอัรรอกกนิษฐานี่คือปัญญสีเด่นก็จะไปอยู่ชั้นนี้เนี่ยพรมในเนี่ยในพรมในสุทาวาสเนี่ยท่านเห็นได้เ ห, เห็นมานพนมคนเนี่ยแบกแม่แล้วก็ว่ายในมหาสมุทรแล้วพระคนอื่นเขาพากันตายหมดคนที่ใจทอ้อหมดกำลังใจแล้วก็หมดเรี่ยวแรงไอ้ที่เขาเรียกแพ น, นิกก็คือเครียด คนเครียดจะจัดทั้งหมดแรงเคยเป็นไหมคนเครียดแล้ววิตกกังวลมากๆแล้วแรงมันหายหมดเคยเป็นไหมครับเอออาการแบบนี้เขาเรียกคนไม่มีพลังไม่มีวิริยะพลังกําลังแห่งความเพียรไม่มีไม่มีกําลังแห่งปัญญาไม่มีกําลังเห่งความเพียรเนี่ยเพรกุ่พวกเนี้ยปัญญาพลังวิริยะพลังสังหาพลังมคือกําลังแห่งปัญญากําลังเห่งความเพียรทั้งหลายไม่มีก็หมดแรง นั้นเหมือนกันพวกเราเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนที่วิตกกังวลนะจะกลายเป็นคนอ่อนแอไะกลายเป็นคนอ่อนเนี่ยท่านเห็นท่านเห็นว่าบุรุษผู้นี้มีจิตใจที่มีจิตใจที่เข้มแข็งพอมีจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยกาลังสละชีวิตเพื่อมารดาว่า้ข้ามาสมุอันลึกอันกว้างใหญ่เนี่ยก็รู้ว่าบุรุษนี้มีความเพียรที่มั่นคงยิ่งนัก มีอัธยาศัยในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นพระโพธิสัตว์เนี่ยเมื่อท่านเห็นวาละความคิดของพระโพธิสัตว์อย่างนี้แล้วเนี่ยท่านก็เลยใช้กําลังบุญของท่านกําลังฤทธิ์ของท่านเนี่ยเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการดลดลใจเหมือนเทวดาดลใจเทวดาดลใจก็คือดลใจให้มีความอาจฐานเกิดลเอออย่างนี้สังเกตตัวนะว่าเรื่องพลังเนี่ยสำคัญนะ บางทีเราลองคิดดูว่าเหมือนโคนันทวิสารใช่ไหมเราเคยเรียนจาดอกเรื่องนี้กันมาเนี่ยถ้าไปพูดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันหมดแรงในโคตัวเนี้ยนะแต่ว่าต่อมาเจ้าของพูดปลอบโยนพูดแบบยอมสำนึกแล้วก็ขอโทษโอ้โหมันพลังใช่ไหมเอ้มันมัมม น, มนปัจจัยภายนอกนะมันสามารถเป็นปัจจัยภายในได้ เหมือนพระโพธิสัตว์มีอยู่ชาติหนึ่งที่ว่าตอนนั้นเป็นช้างเป็นพญาช้างตกลงไปในในในดในทรายที่ดูดในสระตอนนั้นจมลงหมดแล้วแรงหมดแล้วตอนนั้นภรรยาซึ่งเป็นพญาช้างปีเป็นช้างพังเนี่ยเ อ, อพิจารณาดูแล้โอ้เนี่ยสามีไม่รอดเนี่ยก็เลยใช้คําพูดให้กําลังใจว่าเชื่อมั่นพญาช้างอย่างไร แล้วก็ตนเองก็มีความเชื่อมั่นอย่างมากจึงมายอมเป็นคู่ครองยังไงเนี่ยพูดพอพารน า, างนี้ขึ้นมาโอ้พญาช้างเกิดกำลังใจอย่างมากเสียงผู้หญิงด้วยใช่ไหม <c oughs> ถ้ามียอมผู้หญิงหน้าตาดีๆ <c oughs> เข้ามาบอกว่าแหมมั่นใจในตัวพระคุณเจ้ามาก <c oughs> <c oughs> ว่าพระคุณเจ้านี่จะบวชตลอดชีวิตแน่นอนเนี่ยเรื่องคิดเนี่ เห็นไหมเนี hmm. ists, ่ยกรณีแบบนี้พอพอได้กำลังอย่างนี้ขึ้นมารวบรวมหมดเรียวแรงทั้งหมดแล้วก็พันหนึ่งสามารถออกจากไอ้ไอ้ทายที่ดูดได้คือรวมรวบรวมพลังทั้งสุดท้ายแล้วก็คือกระตกตัวเองขึ้นจากจากลมได้เลยเนี่ยกรณีแบบนี้นี่เหมือนกันพระโพธิสัตร์เนี่ยท่านถูกพรมเนี่ยพรหมนั่นพิจารณาบุคคลที่อาถรรพ์กล้ากล้าแทบไม่มีแล้วยุคนี้ ที่จะปรารถนาเป็นพระเจ้าท่านเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเป็นพลังในการที่จะดลดลให้ความคิดนี้เกิดขึ้นพอท่านได้เขาเรียกว่าปกตูปนิสยาอุปยิเขาเรียกว่าอุปนิสยาปั จ, จยสติเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังเป็นปัจจัยภายนอกกระตุ้นเตือนแล้วจากการที่ท่านมีพลังตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยท่านก็เลยตั้งอัตยาสายขึ้นมาบอกว่าเราตัดสรู้แล้ว จะให้ผู้อื่นตัดสู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยเนี่ยท่านพูดอย่างเงี้ยก็เกิดพลังอย่างนี้ขึ้นมาแล้วท่านก็ตั้งอัธยาศัยในใจตอนนั้นเป็นมโนปณิธานครั้งแรกเลยครับบอกว่าเราตัดสู้แล้วจะให้คนอื่นตัดสู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยก็เลยเป็นประโยคสามคำเนี่ยว่าเนี่ยคือคนปรารถนานี่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า พุทโธโธทยะมุตโตโมเจยะกตินโนตารยังบอกว่าเราตัดสู้แล้วจะให้ผู้อื่นรู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยเนี่ยประโยค น, นี่แหละนี่แหละคือในเรือที่ว่าเป็นในเรือก็เลยกลายเป็นมนโปนปณิธานครั้งแรกอยากตั้งบ้างไหมแบบนี้ ฮะแต่ถ้าแค่ก้าตั้งมันก็ไปตั้งห้าสิบเปอร์เซ็ตแล้วเนะี่ยใช่ไหมล่าหลังจากนั้นสองถึงสามวันเนี่ยท่านก็ข้ามฝั่งพามานดาปลอดภัยได้นะและต่อมาก็คือนี่แหละก็เลี้ยงดูมานดาบิดาจนตายไปตามยถากรรมนี่คือการตั้งความปรารถนาเป็นพระเจ้าในครั้งแรกเรียกว่าปฐมจิตตุบาบาท เป็นปฐมจิตุบาทก็คือหมายความว่าเป็นการปรารถนาครั้งแรกของพระโพนิสัตฯเนี่นะนี่อันนี้ไม่มีกล่าวไว้ในจริยาปีดกไม่มีกล่าวไว้ในคมภีพุทธวงศ์แต่กล่าวไว้ในสัมภารวิบากและในคัมพี์อื่นๆก็มีนะคัมภีร์ที่แต่งรุ่นหลังๆเนี่ยเป็นคมภี์อันนี้ก็เมื่อศึกษาตรงนี้แล้วก็ทําให้เราได้กําลังใจนะครับได้ความได้ศรัทธาจำเนียนการผ่านมาพระองค์ก็มีพระอรไทยมั่นคงตั้งความปรารถนาเป็นพระเจ้าทุกชาติที่เกิดเนย และได้พบพระเจ้าผ่านมาอีกเท่าไรรู้ั้ยไล่มาตามลำดับเลยนะถ้าย่อๆ ๆ, ๆก็คืออีกหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันพระองค์ไล่มาตามลำดับผ่านพระเจ้ามาขนาดนั้นเลยแสนสองหมืนห้าพันแล้วมีพระพุทธเจ้าพรมมเทวาเป็นต้นรวมระยะเวลาที่บำเพ็ญบารมีเนี่ยเจดอสงไข ดังในข้อมูลที่กล่าวไว้ในพุทธาประทานที่บอกว่าแม้เราก็ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลายด้วยใจเท่านั้นมาแล้วนับไม่ถ้วนเพื่อการตัดสืบเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือกา ร, รบำเพ็ญบารมีในช่วงแรกเลยเนะอันนี้กล่าวโดยย่อก่อนเราจะเห็นนี่พูดโดยสรุปให้ฟังอย่างนี้เห็นไหมต้องผ่านพระพุทธเจ้าแล้วๆล้เล่า เ, เ, เ, เนี่ยทีนี้คนที่ตั้งอัธยาสัยแบบนี้ทั้งทั้งเป็นคนที่มีศักยภาพเนี่ย พร้อมที่จะบรรลุได้แต่ตนเองต้องอดกั้นในการที่จะบรรลุอันนี้ต้องถือว่าเสียสละมากเลยนะครับที่จะตัดสู้ได้ด้วยบรรลุเป็นภาษาวกได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่ก็ต้องอดทนอดกั้นเนี่ยไม่ให้ไม่ปล่อยยานปัญญาให้เกิดเพื่อต้องการอยากจะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรเนี่ยคนที่มีจิตคิดอย่างเนี้ยถือว่าต้องมีกรุณาใหญ่หลวงไหมครับต้องมีกรุณาที่ยิ่งใหญ่ถึงจะสามารถทําได้ถ้าอย่างเราอ่ะ ไปเลยใช่ไหมล่ะสมมติมติดอยู่ในถ้ำเนี่ย <c oughs> เขาบอกใครจะออกก่อน <c oughs> เขาจะช่วยคนนั้นก่อนใครออกก่อนมีโอกาสรอดแต่ออกที่หลังน้ำอาจจะเต็มถ้ำแล้วออกไม่ได้เราจะยกมือให้เพื่อนออกก่อนไหมหรือยกมือขอไปก่อน <c oughs> <c oughs> อเอาแคเ่นี้ใช่ไหย อ, อกรกมีโอกาสรอดเนี่ยถ้าออกทีหลังแต่ฝนตกทุกวันเงี้ยเขก็จะน้ําเต็มถามขึ้นมาแล้วดูดน้ําออกไม่ได้ไตายนะครับแล้วก็อากาศก็หมดอ้าทําไงเอาละเรายอมตายไปในนี้ให้เพื่อนออกก่อนกล้าไหมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะใช่ไหมครับเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวพอถึงวาระจริงๆเนี่ยถึงบอกว่าเวลาเกิดปัญหาหรืออุปสรรคก็จริงๆเนี่ยมันวัดกันตรงนี้มันวัดวัดซึงเป็นเรื่องที่ ฉันบอกว่าปัญหาเนี่ยปัญหายิ่งเจอกับกลายเป็นยิ่งจริงเป็นข้อวัดทีนี้ต่อไปในบา ร, รมีช่วงกลางจะกล่าวย่ อ, อ ก, ก่อน น, นึเดี๋ยวจะไปขยายในที่หลังในวันพรุ่งนี้วันนี้เดี๋ยวกล่าวแบบย่อสรุปให้ฟังเพื่อจะได้จับประเด็นว่าคําว่าวจีปณิธานมโนปณิธานวจีปณิธานกายวาจาแล้วก็เป็นการตั้งอัธยาศาัยนี่ อัปบารมีตอนกลางนะครับก็คือตอนที่พระองค์เริ่มตั้งวจีปณิธานแล้วออกจากพระโอษฐ์และออกจากโอษฐ์ออกจากการปราถนาเป็นพระเจ้าแล้วพูดแล้วแต่นี้ยตั้งแต่สวยพระชาติเป็นพระเจ้าสาคระหรือสาครารลาชบรมจากกัปพัฒเนี่ยต่อหน้าพระพักของพระมงกุฏปุราณาสกุลมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่า ขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้ามีชื่อว่าโคตมะในอนาคตเหมือนกับพระริเจ้าพราะนามว่าโคตมะในปัจจุบันนี้อันนี้ก็พูดแล้วอันนี้เปล่งวาจาก่อนหน้านั้นคิดในใจเจตสงขัยนี่นะแต่นี้เปล่งวาจาแบบเนี้งั้นเจอก็เปล่งวาจาเจอก็เปล่งวาจ า, เ จ, เ, า, จาเจอพระริเจ้าไม่ได้เจอเข้าไปก็ก็ไปเปล่งวาจาต่อหน้าพระพักตร์พระริเจ้านี้อาจหายแล้วงั้นคนเราต้องคิดจนสั่งสมอัธยาสายัยจนเกิดความ กล้าๆกา่อนนะถึงจะกล้าเป่งวาจาออกมานะครับอย่างพวกเราเนี่ยวลาจะทําอะไรทั้งหลายเหล่ยนี้ถ้ายิ่งเป็นคนที่บอกว่าไม่ได้เราคิดกจนรอบครอบแล้วมั่นใจตัวเองแล้วต่อมาก็มาเป่งถ้าได้เป่งวาจานี่จะรักษาสัจจารักษาคําพูดมากใช่ไหมในคําว่าสัจจาเนี่ยเป็นบา ร, รมีนะครับในบรรดาบา ร, รมีเหล่านั้นเดี๋ยวผมจะไปได้ลําดับบา ร, รมีฟังในบา ร, รมีของคําว่าทานบา ร, รมีเป็นต้นมีคําว่าสัจจาบา ร, รมีสัจจาบา ร, รมีเนี่ยมีคําว่า พูดจริงทําจริงและจริงใจเนี่ยนะมันมาจากคาว่าใจอะมีความสัตย์ซื่อมีความจริงใจในเรื่องนั้นๆเมื่อคิดอย่างนี้ปรารถนาจะทํานี้ก็เป่งวาจายพูดเมื่อพูดอย่างนี้แล้วก็จะทําให้ได้จริงทีนี้สัจจะบา ร, รมีกับอธิษฐานบา ร, รมีเนี่ยใช่ไหมจะมีอธิษฐานบา ร, รมีเป็นตัวกํากับอยู่แล้วอธิษฐานเนี่ยเขาแปลว่าความตั้งใจมั่นซึ่งมันต่างกับภาษาไทยเราใช่ไหมครับถ้าภาษาไทยเราเนี่ยอธิษฐานแปลว่าร้องขอรอผลดลบันดาน ทั้งเกดดูไหมคนไทยเราชาวพุทธส่วนใหญ่เนี่ยถ้าบอกอธิษฐานนี่ขอหมดเลยครับแต่ในอธิษฐานบา ร, รมีอ่ะถ้าเราดูจากที่พทธเจ้านะเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่นหนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้ามไม่ได้บรรลุสัมาสัมพปิยานจะไม่ถอนจะไม่ทำลายบัลลังก์ใช่ไหมองสีมีอะไรบ้างอะ่ะเนื้อและเลือดนี่องหนึ่งเนื้อเลือดจึงอะไรใช่ไหหนังเอ็นกระดูกนะ เนี่ยองศ์สี่เนื้อเลือดหนังเอ็นกระดูกเนี่ยเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังจะเหลือแต่เอ็นจะเหลือแต่กระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจากไม่ทําลายบันหลังนี้อธิษฐานแล้วก็ทําอย่างนี้เขาเรียกอธิษฐานนะบา ร, รมีถ้าอธิษฐานแล้วขออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพราะนั้นของพุทธของไทยเราส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นใช่ไหมจะบอกคุณเนี่ย ขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขขอให้ปลอดภัยขอให้เด็กนี่ออกมาจากอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปใช่ไหมกรณีอย่างเนี้ยเรียกว่าอธิฐานและขอแต่ถ้าอธิฐานบา ร, รมีคือคือแบบนี้ก็คือว่าตั้งมั่นถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมพุธิยานจะไม่ถอนจะไม่หยุดความเพียรจะไม่หยุดในการที่จะบำเพ็ญการให้ทานจะให้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพไม่เต็มไม่หยุดศีลบา ร, รมีก็ต้องบำเพ็ญให้เต็ม เนคคำม้าปัญญาวิริยะขันติสัจจะเมตตาลูกเบิดขาไปต่อเหล่านี้เราจะมีความตั้งมั่นในการบำเพ็ญบารมีเหล่านี้จะไม่ถอนความตั้งใจอย่างเด็ดขาดเราจะบุกฝ่าตั้งมั่นเอาสัมมาสัมโพธิญาณเป็นตัวตั้งถ้าไม่ถึงสัมมาสัมโพธิญาณจากไม่ถอนความตั้งใจอย่างเด็ดขาดการณีอย่างนี้ก็เรียกอธิษฐานนับบารมีใช่ไหมครับ เราเคยมีอธิษฐานธรรมแรงๆแบบนี้ไหมเคยไหมครับ <c oughs> อธิษฐานแบบมั่นคงในในในจุดหมายใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มีความสุขในการดำเนินไปตามทางที่จะไปถึงจุดหมายนั้นๆมีความตั้งใจอย่างมุ่งมัน่นอย่างอุกฤษอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในเวลามีท่อนที่ท่อนที่สองนะครับ เริ่มตั้งแต่ว่าจีปณิธานก็คือว่าปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยตั้งแต่โศกชาตินั่นแหละตั้งเป็นพระเจ้าสาคอนพระบรมจร ก, กระพัดจนมาถึงพระโุราณสักยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละที่บอกกระคอให้ข้าพระเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้ามีชื่อว่าโคตมะในนาคตเหมือนกับพระเจ้าวัฒนาว่าโคตมะในปัจจุบันนี้ด้วยเนี่ยนีท่นตั้งอัธยาศัยอย่างนั้นพระบรมศา ส, าสดาสลับคําปรารถนาแล้วก็ส่งอาาคตังสยาม น, นี่แหละ อย่างรู้ในอนาคตสํารวจดูพบว่าในอนาคตอีกสิบสามอสงไขยแสนกับเนี่ยแล้วมีอยู่กับหนึ่งนะคือพัทธระกับเนี่ยซึ่งมีพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยพระราชาจาักรพรรดิพระองค์เนี้จักได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีนามว่าโคตมะเหมือนชื่อของพระัตถาเขาจึงตรัสว่าขอถวายพระพรท่ากันั้นขอให้มหาบาพิภพบำเพ็ญพุทธการกธรรมธรรมที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเถิดนี้เป็นต้น พุทธการธรรมธรรมที่จะเป็นพระเจ้าก็คือบำเพ็ญบารมีสิบอุปบา ร, รมีสิบปรมัตถบารมีสิบนี่เรียกพุทธการะธรรมอยู่ไหมธรรมที่จะทําให้ธรรมที่เป็นอุปการะต่อสัมมาสมัมพุทธะนั้นบุคคลที่จะเป็นพระเจ้าได้จะต้องบําเพ็ญบารมีเนี่ยมีการโมยทานนบา ร, รมีเป็นต้นอะไรเนี่ยส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะไปบอกนะว่าบําเพ็ญอย่างไรถ้ายิ่งเจาะเข้ารายละเอียดได้ยิ่งดีเช่นบอกลักษณะลักษณปัจจุบันฐานประทัดฐานของทานนบา ร, รมีเป็นยังไงทานมีลักษณะอย่างนี้ กิจของทานเป็นอย่างนี Flat ้ผลปรากฏของทานเป็นอย่างนี้เหตุใกล้ของทานนบารมีเป็นอย่างนี้การจะขับเคลื่อนทานนบารมีต้องบำเพ็ญยังไงถึงจะเป็นทานบารมีที่ถูกต้องทานบารมีแบบนี้เป็นทานนบารมีแบบนี้เป็นทานอุปบารมีทานแบบนี้เป็นทานนปรรมทับารมีถ้าเราได้เจาะเข้าถึงประเด็นตรงนั้นได้มันจะเป็นประโยชน์มากในการเจริญกุศลของพวกเราด้วยใช่ไหมครับเหมือนศีลเหมือนกันอะไรเป็นศีลบารมีอะไรเป็นศีลอุปบารมีอะไรเป็นศีลลปรมัตถบารมีพวกเราพวกเราเป็นกลุ่มรักษาศีลอยู่แล้วใช่ไหม ถ้าไม่เป็นบารมีมันจะมีสองส่วนนะมันเป็นศีลรัรรปรามปากัาศีลที่เป็นอริยกัารศีลศีลที่เป็นบา ร, รมีต้องเป็นอริยกัรรยรยากรศีลศีลที่พระอริยะเจ้าชื่นชมละไขรนะครับเอรู้จักคําว่าศีลรัรรปตาลปามาศีลไหมรู้ไหมครับเป็นยังไงอ่ะศีลรพปตาปารมาสัรู้ไหมอ้าวลักษาะรู้ไหมครับ สีรัตปรมาศรู้ไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยไหมครับมาเป็นยังไงครับสีศีลัตประมาะสังย่อใช่ไหมมาเป็นยังไงไม่รู้จริงเอี่ข้างหลังรู้ไหมเนี่ยศีลัตปรมาศเนี่ยศีลัตปร ว, วดแข็งรักษาศีลแบบสร้างภาพยังไงเช่นตรงนี้บางทีบางทีเราไม่ได้มาวิจัยให้ใ ห, ให้เกิดความเข้าใจนะการรักษาศีลศีลพรพตป ร, ตปรมาสกับอริยการตศีลหรือปรมา อภ a ม a m ัทธาสีลศีลที่ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิเข้ารูปคําจับฉวยหรือศีลที่พระอริยะบุกที่พระอริยะชื่นชมรักให้กับศีรพต ป, ประมาศในคนละส่วนกันคําว่าประมาศาสับนั้นแปลว่าถูกตันหาและทิฏฐิจับต้องหรือจับฉวยหรือรูปคําคือรักษาศีนโดยตันหาเป็นยังไงอ่ะรักษาศีนโดยตันหารักษาศีลแล้วหวัง ว่าเออเราจะได้ลาบสการะได้ชื่อเสียงเกียรติยศได้รับคำบูชายกย่องเพราะเรารักษาศีนี่แหละที่จริงเราก็ไม่ค่อยอยากรักษาเท่าไหร่หรอกแต่พอรักษาศีนแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะได้เกียรติยศได้ชื่อเสียงใช่ไหมได้รับเสียงสรรเสริญเยนยอได้รับคำยกย่องได้ลาบสการะได้เงินได้ทองหรือได้สุขติเป็นที่ แลกเปลี่ยนอย่างนี้เป็นตอนอย่างเนี้ก็ลักษณศีลรัประตับประมาศเป็นการรักษาศีลที่ไม่ได้รู้จุดหมายของศีลที่แท้จริงถูกตันหาและถูกทิฏฐิเนี่ยโรคคำหรือจับเฉยวหรือจับต้องก็คือรักษาศีลแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายหรือผลของศีลที่แท้จริงมันคืออะไรถามว่าจริงๆรศีลเนี่ยใช่ไหมอะไรเป็นผลประโยชน์อะไรเป็น อ, นอันิสงของศีล ศีลเป็นป ER. awesome. ัจจัยเกิดอวิปปิสารคือความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจก็เป็นปัจจัยเกิดปราโมทอิ่มใจนะปราโมทก็เป็นปัจจัยเกิดปีติความอิ่มใจปีติก็เป็นปัจจัยเกิดความสงบปัจสถสงบก็เป็นปัจจัยเกิดสุขสมานัสสุขสมานัสก็เป็นปัจัยเกิดสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตความตั้งมั่นแห่งจิตก็เป็นปัจจัยเกิดยถาภูตะยานทัศนะคือปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริง เ่อนิพพิทาเวราค้าเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ถ้ารักษาศีลเพื่อตรงเนี้ยอย่างนี้เขาเรียวกว่าเป็นอริยะกันตศีลเป็นศีลที่พระอริยบุคคลรักใคร่ชื่นชมรักใคร่ใช่ไหมแต่ถ้ามันตรงกันข้ามจากสิ่งนี้นั่นแหละเขาเรียกว่ า, าศีลรัตตปรมาสะหรือรรศีลรัตตปรมาเป็นการรักษาศีลด้วยความงมงายด้วยความไม่รู้รักษาตามตามกันมารักษาโดยไม่รู้เรื่อง รักษาโดยหวังลาบสกาละเกียรติยศชื่อเสียงหวังสุขติหวังเป็นมนุษย์หวังเป็นเทวดานี่เป็นต้นการรักษาศีลโดยมีจุดมุ่งหวังที่ผิดพลาดไปจากความพ้นทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นศีรพตปรตาปรมาสะไม่เรียกว่าศีรบา ร, รมีด้วยไม่เป็นศีร บ, บัลมีนะถ้าศีร บ, บรลลามีมีอนุ ป, ปาทานปรินิพานคือการเส้นจากกิเลสและกองทุกเป็นจุดหมายใช่ไหมครับพอจะชัดเจนไหมแบบเนี้หลวงพ่อชัดเจนไหม <c oughs> เออรักษาศีลต้องอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ถ้าหากว่าเรายังมีความไม่เข้าใจตรงนี้ก็ปรับเขาเรียกว่าปรับทัศนคติใหม่ปรับวิธีคิดใหม่ปรับความเห็นให้ตรงให้ตรงกับพระริย า, าเจ้าทั้งหลายที่เป็นอริยาการตศีลอริยาการตศีนก็คือรักษาศีลไม่มีตัณหามารูปคํามาจับฉวยเลยเป็นรักษาศีลที่เพื่อกกายวาจาใจสะอาดจริงๆเพื่อความสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์จริงๆและรักษาศีลด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจจริงๆรนะ อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าห่มผ้าเนี่ยห่มผ้าให้เป็นปริมนณทนเนี่ยเป็นศีล น, นะครับเป็นวินัยใช่ไหมเราทำตามวินัยแต่ที่เราการห่มผ้าการกินอาหารการใช้เครื่องนุ่งหมยาอาหารเป็นตเหล่านี้ก็มีวินัยเป็นตัวกากับอยู่ทีนี้วินัยกับศีลถ้าว่ากันอย่างเคร่งครัดเหมือนกันหรือต่างกันวินัยกับศีลเนนะีว่าด้วยเคร่งครัดเนี่ยเหมือนหรือต่างต่างนะ วินัยเป็นบัญญัติเป็นสมมติศีลเป็นปรมัตเป็นสภาวธรรมศีลเป็นหนึ่งในองค์มรคใช่ไหมล่ะครับเป็นไหมสัมมาวจาสมากรรมตัสมาวสมาชีวะเป็นศีลไหมเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์มรคเป็นธรรมะนะศีลเนี่ยเป็นธรรมะสัมมาวยามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นสมาธิสิกขาสมาธิถีกับสมาสังกบเป็นปัญญาศิกขาสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมเป็นธรรมะ วินัยเนี่ยเป็นข้อบัญญตัติเป็นกติกาเป็นข้อตกลงแต่เป็นข้อกติกาเป็นบัญญัติที่ต้องทําจริงนะไม่ใช่ทําเล่นๆนะเป็นกติกาเป็นข้ออย่างเช่นต้องปร o n ผมเนี่ยต้องนุ่งผ้ากาสาวพัดแบบไหนถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นต้นเหล่าเนี้ยหรือเกี่ยวกันในเรื่องว่าต้องอยู่ในที่อยู่ต้องทํำยังไงต้องฉันอาหารอย่างไรใช่ไหมฉันอาหารอย่างไรเนี่ย เคี้ยวเป็นต้นเหล่านี้ยเป็นหลกกักภายในเสกีวัฒนี่เป็นวินัยนะทีนีน้บางทีเนี่ยเราทําตามวินัยด้วยสภาพจิตใจที่เร่าร้อนเคยเป็นไหมครับแล้วอึดอัดเนะี่ยเคยเป็นไหมทําตามวินัยนี่อึดอัดมากเลยเช่นว่าจาปะปัสสาวะก็ต้องนั่งใช่ไหมล่ะถ้ายืนก็เป็นอบัติเงี้ย แล้วก็ต้องนั่งจําใจนั่งอย่างนั้นแหละทั้งที่ไม่อยากนั่งเลยกลัวเชื้อโลกบ้างอะไรบ้างการณีนี้แบบเนี้ยถ้าเราฝ่าฝืนปุ๊บผิดอะไรผิดวินายไม่ใช่ผิดศีลเพราะวินายบัญญัติว่าภิกษุไม่เป็นไข้ไม่ควรยืนถ่ายปัสสาวะนี่ไหมยกเว้นแต่เป็นไขย้ยกเว้นแต่ป่วยให้นั่งถ่ายปัสสาวะได้เนีย่ยฉะนั้นในะกรณีที่เราไปนั่งถ่ายปสาัสสาวะแต่เรานั่งด้วยความทุกข์ใจด้วยความเครียดด้วยความกลุ้ม ไอเนี้ยมันเป็นวิไน๋ยวไม่เป็นศีลข้าอย่างเคือใจมันไม่กายไม่สะอาดกายไม่สงบวาจาไม่สงบแล้วสภาพจิตใจมันเล่าร้อนเนี่ยใจมันไม่มีศีลตอนนั้นอ่ะเนี่ยต้องเข้าใจเลยสมาธิปัญญาไม่ต้องพูดถึงมันเลยได้แต่วิไน๋ยวไม่ได้ศีลเคยเป็นไหมครับแบบเนี้ยไอ้กินอาหารเนี่ยเราเราก็อยากต้องเคี้ยวใช่ไหมไม่เคี้ยวให้ดังจับจับหรือชุดชุดเป็นตัวเราเนี่ยเราต้องเคี้ยวทําคําข้าวให้กลมกล่อม ไม่ไม่เคี้ยวให้กระพุงแก้วมันกระพุงแก้วมันตรงออกมาเนี่ยเราก็ต้องทําแต่บางอยากจะเคี้ยวอย่างงั้นเต็มที่มันไม่อร่อยกินแบบเนี้ยไม่มันเนี่ยไม่ไม่สะใจว่างั้นอยากจะทำํำมันตุ๋ยออกมางั้นแล้เกินเนี่ยแต่ก็ต้องฝืนทำโอ้โหลำบากใจทุกข์ใจเงี้ยมันเป็นวินยัยจะไม่เป็นอะไรนไม่เป็นศีลใจมันเล่าร้อนไม่มีความสุขครับอถ้าล่วงละเมิดวินัยเนี่ยก็เรียกว่าล่วงละเมิดศีขาบทก็ผิดวินยัยก็เป็นอบัติไง เหมือนคนเอายี้โอเปอมาเนี่ยคนไรู้จักขัวินัยจราจรไหยคนขับถูกต้องเป๊ะเลยแต่มันเครียดเดี๋ยวไฟแดงก็ขับต้องมีแซงไม่ต่างๆแต่มันเครียดเหลือเกินเห็นคนอื่นแซงก็ด่าเขาด้วยอะไรด้วยเนี่ยมองเห็นอย่างนี้พระเนี่ยนั้นวินัยเนี่ยเป็นข้อถ้าลักเดินตามวินยัยฝึกตามสิกขาบทมันจึงจะเข้าสู่ความเป็นศีลอีกที มองออกไหมวินัยเป็นแบบแผนเป็นระบบเป็นกติกาเป็นข้อตกลงที่เราต้องเดินตามแต่ต้องเดินตามเพื่อจะเป็นข้อฝึกให้มองวินัยเป็นข้อฝึกอย่ามองเป็นข้อห้ามถ้ามองเป็นข้อห้ามเนี่อึดอัดกันทั้งวัดเลยครับเมื่อมองผิดไงมีทัศนคติต่อวินัยผิดที่จริงมันเป็นข้อฝึกฝึกกายให้เป็นศีลฝึกวาจาให้เป็นศีลฝึกพฤติกรรมตัวเองให้เรียบร้อยดีงามเพื่อให้เป็นศีล ใจเราจะได้เป็นสมาธิปัญญาจะได้เกิดขึ้นงั้นการที่เราจะดําเนินเข้าไปสู่ธรรมะคือศีลสมา ธ, มาธิปัญญาก็คือเดินตามวินยัยฝึกตามสิกขาบทเข้าสู่ความสู่ศีลสมาธิปัญญาเขาจะอย่างถ้าอย่างนี้มันจะชัดเลยใช่ไหมครับมันจะมีความสุขกวาดบ้ากวาดวัดก็มีความสุขกวาดกวาดในถูถ่มันเป็นเสกียบวดัดมันเป็นครอบพึงประพฤติปฏิบัติมันจะมีความสุขในการการะทําถ้าเป็นแบบนี้มันจะมันจ ะ, ม, นจะมันจะอยากบวชฮะ อ๋อคำว่าสักกายะเนี่ยชื่อเนี่ยเป็นชื่อของขันเป็นชื่อของขันห้าชื่อของกายกายกะจใจแต่สักกายะสักกายะศัพท์เนี่ยแต่คำว่าทิฏฐิแปวความเห็นแต่สักกายะทิฏฐิก็แปลว่าเห็นผิดในขันห้าก็เป็นสำคัญว่ามันเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นขาวเนี่ยเป็นสำคัญอย่างนี้ก็เรียกว่าสักกายะทิฏฐินั้นเห็นรูปเป็นเรา เป็นเห็นรูปเป็นอัตตาตัวตนเห็นเวทนาเป็นอัตตาตัวตนเห็นสัญญาเป็นอัตตาตัวตนเห็นสังขารเห็นวิญญาณเป็นอัตตาตัวตนเห็นกายกับใจเห็นกระแสชีวิตเนี่ยทั้งๆ้งที่มันเป็นกระแสชีวิตแต่ไปเห็นเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ขึ้นมาเห็นอย่างนี้อ่ะเขาเรียกว่าเห็นผิดเขาเรียกสักกายทิฏฐิเข้าใจไหมครับไปเห็นผิดในขันห้าเน่ยเขาเรียกว่าสักกายสักกายทิฏฐิที่จริงอ่ะสักกายนี่เป็นชื่อของกระแสชีวิตเลยครับ แต่ไปใส่คําว่าทิฏฐิก็ไปเขาเรียกว่าเห็นผิดในขันห้าทั้งท้งที่ขันห้ามันคือกษระแสชีวิตมันเกิดดับสืบต่อไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตา ป, ปอดเนี่ยแม้แต่เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารการปรุงแต่งวิญญาณคือการรู้อารมณ์เนี่ยรูปกับนามกายกับใจมันคือกษระแสชีวิตที่มันเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาเป็นสภาวธรรมเป็นธรรมชาติขึ้นมาอย่างนั้นแหละวางกันเถอะแต่การที่เราไปจับธรรมชาติแล้วไปเข้าใจในธรรมชาตินั้นผิด เป็นสำคัญว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราเห็นอย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิเห็นผิดเนี่ยตัวตัวเห็นผิดทีนี้พอไอ้ความเห็นผิดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นในตัวทิฏฐิตัวเนี้ยพออีกสาบหนึ่งก็เรียกว่าอัตวาทุปาทานเห็นว่าเป็นอัตตาเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนคือปกติเนี่ยเออมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยมันพร้อมที่จะเห็นผิดอย่างนี้อยู่แล้วยิ่งไปใส่สมมติขึ้นมาใช่ไหมครับ มันเกิดมาเด็กๆปุ๊บเนี่ยมันก็ยังไ ม, ม, งไม่มันก็ยังไม่ได้สําคัญผิดอะไรมากมันก็สําคัญว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนอยู่แล้วแต่พอไปใส่คําว่าชื่อขึ้นมาไหมพระโอ้โหใส่ถ้าใส่ตําแหน่งมาไปยุ่งเลยนะจากพระธรรมดามาใส่เป็นพระครูจากพระครูใส่เป็นเจ้าคุณจากเจ้าคุณใส่สมเด็จเงี่ยออกไปใหญ่อะไรทีนี้นะข้านะข้าวนูนเน่ยยันสังกราชเลยทีนี้ยนะข้าวจากมนุษย์ธรรมดาแท้ๆพอไปใส่ตําแหน่งใส่อัตราตัวใส่ชื่อใส่อะไรขึ้นมามันได้ไปยึดว่าเป็นจริงๆไง แท้จริงมันเป็นไหมเขาเรียกสมมุติอตรงเนี้ยพระเราเนี่ยจริงๆแล้วเขาให้ฉลาดในสมมุติแต่ไปไปมามามึนกันซะ น, น, นี่มามึนในสมมติเพราะเขาตั้งกันมามั น, นึกว่าเป็นจริงๆริเขาใจใช่ไหมไมั น, นึกว่าเป็นจริงเหมือนให้สังเกตพวกเราเขาเรียกสมมุติสง่งใช่ไหม่มาเปลี่ยนชื่อใหม่หมดสังเกต น, นะพอมาเบีเสด็จนะหลวงพ่อใช้ ย, ยาอะไรครับฮ น, นี่อย่างเนี้ยเขาเรียกชือ่อเตชะวโรภิคุเปลี่ยนใหม่ก็ให้ตั้งอย่างนี้ เนี่ยเวลามาเปลี่ยนชื่อเป็นเตชะวโรบ้างวชิระวชิระยาธรมโมเป็นต้นบ้างปัญญาทีโปบั้งนี่นะเนี่ยก็เรียกชื่อกันอย่างเงี้ยก็บอตั้งสมมุติใหม่แต่ว่าสมมุติที่ตั้งกันไว้เอาไว้เรียกขานเอาไว้เรียกขานกันมันจะได้สื่อกันถูกพระเขาเรียกสมมุติส่งส่งโดยสมมุติแต่สมมุติจริงๆรนะจากคนธรรมดานี่แหละครับแต่ก่อนก็เป็นใครก็ไม่รู้ในก่อในขอว่างั้นเถอะ พอมาถึงเบสเสร็จไปหาอุปชาอาจารย์บอกผมอยากบวชแล้วผมไม่อยากเป็นคารวาสแล้วอุปชาก็เลยรับรองไนงะคําอุปชารับรองไม่ใช่อุปชาบวชให้นะอุปชาไม่มีสิทธิ์บวชให้แล้วครับอุปชาเป็นเพียงแค่ผู้รับรองนําพาสัตธิวิหาริกหรือว่าลูกศิษย์เนะี่ยเข้าไปในถ้ำกลางสงไปประกาศให้สงได้รับทราบบอกว่าท่านครับสงสงจงทราบนะว่าท่านพนี้ยข้าพเจ้ารับรองว่า ง, งั้นขอให้สงมาตรวจสอบเป็นคุณสมบัติ ถ้าสงตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแล้วข้าพเจ้ารับรองว่าท่านผู้นี้จะมีการศึกษาอย่างแน่นอนเพราะข้าพเจ้าจะรับผิดชอบเองเนี่ยอุปชามีหน้าที่ไปรับผิดชอบว่าท่านพู้นี้บวชแล้วจะไม่โดนบวชทิ้งบวชคว้างจะต้องรับผิดชอบในการให้การศึกษาระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาจะให้ท่านผู้นี้ฝึกฝนพัฒนาตนเองโดยข้าพเจ้าจะเป็นอาจารย์ของท่านพู้นี้หวังว่าท่านผู้นี้จะเป็นสัตว์วิหารเรื่องข้าพเจ้าอย่างนี้เป็นต้นก็ไปรับรองต่อสงให้สงได้รับทราบเออสง์ได้เบาใจว่าเอาถ้าบวชเข้ามาใครจะรับผ ว่าถ้าสงับรับรองท่านบุญนี้จากมนุษย์ธรรมดาเป็นสมมุติสองแล้วเนี่ยใครจะรับผิดชอบให้การศึกษาท่านบุญนี้ผมเองอุปชาไม่ได้ที่ผมเนี่ยครับไม่ใช่อุปชาเป็นผู้บวชแต่อุปชาไปรับรองว่าท่านบุญนี้บวชแล้วคือจะมีการศึกษาอย่างแน่นอนเนี่ยก็เลยมีอุปชาใช่ไหมครับเป็นหลักการคืออย่างนี้แต่ทุกวันนี้มันผิดเนี่ยพรบคณะสงฆ์ก็ไปใส่อำนาจอุปชาผิดอีกเหมือนใส่อำนาจของของเจ้าวาดเนี่ยเจ้าวาดมีอำนาจในการจะรับบุคคลเข้ามา รับใครก็ได้ให้ใครออกก็ได้แล้วสั่งให้คนนั้นทําอะไรก็ได้เนี่ยเป็นเป็นอย่างนั้นแท้จริงอ่ะเจ้าวาดเนี่ยตามพระธรรมวินยัยเขาเรียกคนรับใช้สงอย่างไล่ะเจ้าวาดจะใหญ่กว่าสงไม่ได้โดยหลักการคืออย่างนั้นในตามพระธรรมวินยัยอ่ะเจ้าวาดจริงจริงอ่ยจะต้องรับใช้สงว่างั้นเถอะอำนวยความสะดวกให้สงสงเป็นใหญ่กว่าเจ้าวาดแต่ปัจจุบันนี้เจ้าวาดใหญ่กว่าสงเนี่ยพหลบบไปเขียนแบบเนี้ยตั้งแต่สองพันรอยห้าเราก็เราก็ว่ากันแล้วก็ตามเข้าไปว่างั้นเถอะ เนี่ยกรณีอย่างเงี้ยถ้าจะเปลี่ยนจริงจงก็กลายเป็นเลอะเทอะเทอกันอยู่ทุกวันนี้แหละอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละมันก็เปลี่ยนไม่ถูกแก้ไขกันก็ไม่ถูกมันก็อย่าไปพูดเกาเลยปล่อยก็มุนมาใช่ไหมนี่ประเด็นมันคืออย่างเี้ต้องเข้าใจด้วยนะ <c oughs> ผมอย่าไปลาบผมไปประเด็นนั้นคือจริงจริงเนี่ยหลักการมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นไอ้กรณีอย่างนี้ก็คือเนี่ยเขาเรียกสมมุติเขาเรียกสมมุติสิสอเราเนี่ยมาเป็นสมมุติสิสอเพื่อจะฝึกฝนพัฒนาตนเองเข้าสู่ความเป็นอริยสงฆ์ นั่นเป็นปรมัตถ์สอ์ที่แท้จริงใช่ไหมครับเราต้องการอย่างนั้นเพราะการมาเป็นสมมติสงค์เนี่ยมันเอื้อเอื้อกว่าการเป็นฆราวาสมันเหมาะกว่ามีเวลามากกว่ามีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองได้มากกว่าฆราวาสเราจึงเรียนเราจึงต้องการมาอยู่ในภาวะแบบนี้นี่เขาเรียกเป็นระบบจัดตั้งนะครับที่พระพุทธเจ้าจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเราเอาืเอ้อเรามีศรัทธาไงเราไม่อยากรับใช้ใครแล้วไม่อยากเป็นลูกน้องใครไม่อยากเป็นขี้ข้าใครไม่อยากจ่ายวัสดุอุปกรใช่ไหมครับ เราต้องการอยากจะฝึกฝนพัฒนาตนเองเต็มที่จากสมมติสงค์เข้าสู่ความเป็นอริยสงฆ์เราเลยมาแบบนี้กันเนี่ยทีนี้พอปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ทั้งหลายมันไม่ค่อยเอื้อมันไม่ค่อยเอื้อคนที่ต้องการจะบวช้ามาจริงๆมันก็ผิดเพี้ยนกันเยอะเลยแต่เนี้ยบวชเพื่ออะไรตอบแทนคุณของพ่อแม่บ้างบวชแก้บนบ้างอะไรโอ้โหมาอีกเยอะเลยแต่เนี้ยนะบวชชั่วคราวเลยมาอีกมากมายเลยกลายเป็นทั้งสัพพทุกขาณิสรณนาสิพาณสัจจิกระรัตสายาณิหา ย, หายเกลี้ยงเลย แทบไม่มีอะไรเดีน๋นี้พอพูดนิพพานนี่เขาอย่าพูดไปอย่าพูดไปเขาอย่าพูดดังอย่าพูดดังมันไม่มีแล้วหนักไยขนาดนั้นนะขนาดนั้นเลยนะจะฮะแล้วลตรงนี้ก็เนี่ยถ้าพูดถึงในลักษณะแบบเนี้ยพอพอสมมติตรงนี้แหละเนี่ยเป็นเหตุแห่งสักเกิดสักยะ <c oughs> เข้าไหมเพราะว่าอุ ป, ปาทานมีอยู่สี่นะครับหนึ่งกามุ ป, ปาทาน ยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสผโภตภะอานาปราถนาน้าไข่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ไข่ผ า, าใจกำลังใช่ไหมนี่ยึดมัน่นอยากได้สีเสียงกลิ่นรสผโภตพะมาสนองอัตตาตัวตนมีอัตตาตัวตนเป็นศูนย์กลางมีเวทนาคือสุขเวทนาเป็นเป้าประสงค์เป็นจุดหมายมีโมหะคือความไม่รู้อยู่เบื้องหลังใช่ไหมครับนีไ่ไอ้ตัวการมุปาทานเป็นแบบนี้เพราะต่อมากระทิดทูปาทานเนี่ยยึดมั่นในทัศนคติในความเห็นเคยเป็นไหมครับ ยึดมั่นในความเห็นความเห็นของเราเท่านั้นถูกความเห็นของอื่นผิดยึดมั่นในทัศนคติในความเห็นว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นผิดเป็นต้นเนี่ยก็มีทิฐิมากมายมีทัศนคติมีมุมมองมีอัตลักษณ์มีอัตลักษณ์เฉพาะตนเนี่ยต้องต้องอย่างนี้เท่านั้นตนเองบวชมาต้องอย่างนี้อย่างอื่นไม่เอาต้องเห็นอย่างนี้เท่าเนี้หวังว่าจะเห็นอย่างนี้ถึงถึงชอบที่จะเป็นแบบนี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คสีรับประตปาทานใครได้ยินไหม ยึดมั่นศีลพจน์ในที่นั้นก็คือยึดมั่นกฎเกณฑ์กติการะเบียบแบบแผนพอเอาระเบียบอะไรมาวางปุ๊บขึ้นมาก็ยึดมั่นเลยอะไเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแข็งทื่อเลยว่างั้นเถอะยึดมั่นต้องอย่างนี้เท่านั้นและไม่รู้เหตุผลในการกระทําด้วยไม่รู้เหตุผลไม่เข้าใจเหตุผลไม่เข้าใจจุดประสงค์เป้าประสงค์ของการกระทำตามระเบียบตามกติกานั้นทําแบบแข็งแข็งทื่อๆทําแบบไม่รู้ไม่เข้าใจไอ้กรณีอย่างนี้ก็ลักสีเราประตูปาทาน แล้วส่วนอัตวาทุปาทานก็เป็นอันเดียวกับสักคายทิฐีนี่แหละยึดมั่นก็ยึดมั่นว่าเราเป็นผู้กระทําเราเป็นผู้เสวยว่างั้นเถอะเนี่ยยึดมั่นอัตตาตัวตนว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยึดอย่างถาวรอย่างมั่นคงเลยว่ามันเป็นจริงๆอ่ะเปสําคัญอย่างนั้นไม่เข้าใจเหมือนคําว่าสมมติส่งเนี่ยมันยังสมมุติอยู่แต่เพื่อเอาเป็นฐานรองรับต่อการพัฒนาสู่ความเป็นอริยสงฆ์ใช่ไหมครับแต่ประเด็นจริงๆโดยมากคนเรามัน พอไปยึดมัน่นพอไปยึดมั่นกันมาแล้วมันไม่พัฒนาต่ออย่างงี้นี่นี่คือปัญหาัน ม, มีได้ทำไหมครับสอ่ะต่อเมื่อกี้ถึงไหนแลวเนี่ยเอออุปาทานไปแล้ ว, อออาาลวตอนย้อนกลับมาในการบำเพ็ญบา ร, รมีตอนกลางนะครับพระพุทธเจ้าปราถนา พระเจ้ามีอนาคตังสยานก็รู้ว่าท่านผู้นี้ก็บอกพูดถึงในการมาเป็นพุทธการละกธรรมเป็นต้นพระโพธิสัตว์นั้นแม้จะได้พบพระทเจ้าในชาตินี้แต่ยังไม่บริบูรณ์ด้วยธรรมะสโมโอทานนะธรรมะสโมโอทานอยู่แปดอย่างในธรรมะสโมโอทานนะมนุษย์ตังลิงกัสัมปติเป็นต้นเหล่าเนี้ยังไม่ได้ครบถ้วนในด้านของธรรมะสโมโอทานทั้งแปดประการคนเราที่จะได้รับพุทธบยากรได้เนี่ยต้อง ประชมธรรมสมอทานทั้งแปดมีความเป็นมนุษย์เป็นต้นอะไรเนี้ยสมพรอรถึงพร้อมด้วยเพศก็คือกลุ่มนักบวชแล้วก็มีคุณสมบัติก็มีเกี่ยวกับลุ่มอภิญญามีสมาบัติเป็นต้นอะไรเนี้ยนั้นถึงแม้อย่างเราเราสมมุตินะป่าถนาเป็นพระพุทธเจ้าไปเจอพระพุทธเจ้าได้เป็นมนุษย์จริงได้เป็นนักบวชจริงแต่ไม่ได้คุณสมบัติเช่นไม่ได้สมาบัตแปดไม่ได้อภิญญาแลไม่ได้พยากรณ์ นั้นต้องทำสมาบัติแปดให้ให้เห็นแล้วมีอภิญญาสามารถลวดเดียราราคตได้ถ้ามียานปัญญาขนาดนี้ยมีอนาคตังสยามมีอตีตังสยานเป็นต้นเหล่าเนี้ยแล้วไปหาพระเจ้ามีคุณสมบัติเพียบพ้อมมีพระเจ้าจะพยากรนะพยากรว่าจะเป็นพระเจ้าในอนาคตถ้าคุณสมบัติไม่ครบขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดทีนะนี่ยังยังไม่เข้าเจาะในรายละเอียดนั้นการที่จะรับพยากรเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยทีนี้ พระโพธิสัตนั้นได้เห็นพระศาสดาแต่ไม่ไม่สมบูรณ์ด้วยธรรมสโมโอธานมีความเป็นมนุษย์ก็ยังไม่ได้พยากรณ์ในสํานักพุทธเจ้าในปุราณาสักยมุนีนะโคตรมาเมื่อได้สดับพุทธวาจาแล้วก็ปลื้มอโอเราจะได้เป็นพุทธเจ้านั่แหละว่างั้นเถอะขอให้บำเพ็ญบารมีให้บําเพ็ญพุทธ ก, กัลยาณธรรมเพียงแค่พระุทธเจ้าบอกอย่างนี้ก็ปีติปลามโมทแล้วครับเนี่ยท่านก็บำเพ็ญบารมีอย่างอุกฤษประดุจดังว่าตนเองจะได้เป็นพระุทธเจ้าในวันพรุ่งนี้เออบาคนมีจิตใจขนาดนั้นนะ ใครมีความคิดไหมบอกว่าเราจะได้บรรลุในวันพวกนี้แน่นอนเคยคิดอย่างนี้บ้างไหมตั้งแต่ตั้งแต่บวชมามีพระรูปหนึ่งนะครับท่านท่านไป ป, ปฏิบัติที่พม่าท่านเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนรู้จักกันเนี่ยท่านก็ไปปฏิบัติโอ้โหเจริญแบบอาณาปานสติในสำนักนั้นก็เจริญกันจริงๆริจังจงท่านก็ไปปฏิบัติอย่างทีนี้ในขณะที่ทําไปทําใบทําไป ท, ไปทไป่านก็คิดหืมเราได้บรรลุแน่นอนแล้วทีนี้ท่านก็เลยคิดว่าเอาละในพรรษานี้แหละจะต้องบรรลุให้ได้ อในขณนะที่ท่านอยู่ในในกุฏินั้นก็มีไก่ตัวหนึ่งใช่ไหมครับมีแม่ไก่ตัวหนึ่งมันฟักไข่แต่ก่อนจะฟักไข่มันทํารังท่านคิดทันทีแล้วเอาละเราจะบรรลุพร้อมไอ้นเนี้ยพร้อมไอ้ถ้าไก่ตัวนี้มันมาไข่ไข่เสร็จมันกอกไ ข, ลกไขลก่ลูกไข่ลูกลูกไก่ออกจากไข่เมื่อไหร่เราจะบรรลุนั่นแหละโห้ยเร่งอย่าเร่งแข่งกับไอไก่ตัวเนี้ยเร่งโห้ยไม่หลับไม่นอนเลยทีนี้ทําจริงจริงจริงๆๆทำทำทำทำ ได้พันสาเดียวไอไก่ดอยนี้มันออกไข่จริงแต่ท่านได้ไหมไม่ได้แล้วเป็นไรต่อท่านเลยกลายเป็นคนนอนไม่ได้เลยทียเนี้ยเฮ้ยพอเจริญไปเจริญมาแล้วไอ่เนี่ยจิตมันอยู่กับลมอย่างเดียวมันออกไม่ได้มันล็อกติดลมอยู่นั่นแหละคิดเรื่องอื่นมันก็วิ่งมาตรงนี้คิดเรื่องอื่นมันก็วิ่งมาตรงนี้เข้าใจไหมมันเลยเลยคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยมันวนอยู่กับลมแล้วหลับก็หลับไม่ได้ด้วยดอเนี้ยเฮ้ยจะบ้าเอาทีนี้ย สามเดือนก็นแล้วสี่เดือนก็นแล้วห้าเดือนก็นแล้วนอนไม่ได้ทาําไงท่านก็ไปบอกพระรูปหนึงมาบอกอุ้ยทำไงเดียวผมจะนอนทําไงไปทํางานทําการก็หลับไม่ได้ท่านก็บอกเอาหนังสือมาท่านบอกงั้นแปลหนังสือมันซะเลยท่านเรียนบาลีมนันนี่ก็นั่งแปลหนังสือให้เพื่อนคนนึงคอยดูหน่อยว่าบ้ามาเลยคอยคอยเชือกมัดหน่อย <laughs> เออแปลหนังสือได้ทั้งเล่มหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้หายพอแปลไปแปลมาจิตมันก็เริ่มหลุดจากลม แล้วก็มาอยู่กับหนังสือก็เลยเลยนี่ยเหตุที่เป็นอย่างที่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเจริญอาณาปณะสติด้วยตัณหาด้วยมานะด้วยทิฏฐิไม่ได้เจริญด้วยกุศลไอ้ความอยากมันมันจับมันก็จ้องจับลมตอนนี้เห็นลมก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละตอเนี้ยทิฏฐิก็เลยไปล็อกอยู่กับลมตใเนี้ยไปไม่ได้เลยในนี้หลับก็หลับไม่ได้จจิตก็ค้างอย่างเงี้ยค้างอยู่อย่างนั้นเลยในนี้อย่างนี้เป็นต้น นี่เหมือนกันน่ยนะท่านบอกว่าท่านพิจารณาดูเหมือนว่าท่านจะได้บรรลุอย่างนั้นเป็นต้นท่านก็เกิดพิติต่อจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้เปล่งวาจาปรารถนาเป็นพระุทธเจ้าต่อหน้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์ผ่านพระุทธเจ้าเนี่ยสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันพระองค์เริ่มตั้งแต่พระพุรานะเออพุราณาสักยามุนีอ่ะรวมเวลาที่บำเพ็ญบารมีมาอีกเก้าอสงไขยโลกแตกดับไปเนี่ยเก้ารอบนะครับ รวมเป็นสิบหกแล้วนะทีนี้เกี่ยวกันในเรื่องของการบำเพ็ญบารมีเนะี่ยตั้งแต่ต้นและตรงกลา ง, งนี้เป็นต้นอะไรเนี่ยจนกว่าจะเป็นพระเจ้าเนี่ยมาเริ่มช่วงไยท้ายถึงแม้จะมีจิตใจเด็ดเดียวปรารถนาตั้งแต่การมโนปณิธานและวจีปณิธานมโนปณิธานในเจ็ดอสงไขวจีปณิธานในเก้ารวมเป็นสิบกอสงไข ที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ได้รับพยากรอย่างพระเจ้าเนี่ยผ่านพระเจ้ามาเป็นตั้งหลายแสนลูกองคเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าอานิยตะโพธิสัตว์แปลว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพยากร์ไม่แน่นอนเขายัางเป็นพระโพธิสัตย์ที่ยังไม่แน่นอนเลยนี่เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอใกล้จะหมดเวลาแล้วนี่เลยไม่ได้เบรกพักกันเลยเหนื่อยไหไ เ, อยเอา้าใคร ถ้าอยากถามปัญหาไหมในพระตรกในพระวินัยมีครับในพระวะินัยวิดกเขาก็เรียกว่าสมมติเนี่ยสมมุติทีสมม่สอง ได้ยินใครพูดคือคืออย่างนี้หลองหน้าคืออย่างนี้เวลาคากรณีเหมือนกับยติจะตุถกรรมมาวาจาเนี่ยการที่สงเนี่ยสงประชุมกันนะครับ ในกรณีที่กุณบุตรบุคคลใดที่มีศรัทธาเข้ามาเพื่อมาขอบวชเนี่ยจากคนธรรมดาเนี่ยเพื่อจะให้เป็นพระเนี่ยแล้วก็พระสงฆ์ที่ประชุมกันในโรงอุโบสถนั้นน่ะมีกติกามีข้อตกลงร่วมกันเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วท่านผู้นี้ยคุณสมบัติน่ะถูกต้องตามวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ เมื่อถูกต้องตามพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ไม่มีโทษดังที่กล่าวในพระวินัยทั้งหมดแล้วเนี่ยสงก็เลยยอมรับท่านผู้นี้เข้าหมู่เข้าคณะเมื่อยอมรับปุ๊บในทันทีทันใดนั้นนั่นเขาเรียกว่าสมมุตินะครับสมมุติว่าให้ท่านผู้นี้เป็นสงเป็นพระจากคนธรรมดาเนี่ยล้วก็สมมุตินะครับเหมือนอย่างนี้เหมือนคาว่าราชาพิเศษเข้าใจไม คำว่าราชาพิเศษเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายความว่าประชาชนในแฟวนนั้นในประเทศนั้นในหมู่นั้นพากันประชุมกันตั้งกติกาข้อตกลงว่าบุคคลคนนี้เป็นคนที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสมด้วยอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เลยพากันยกขึ้นยกจากคนธรรมดาเนี่ยให้เป็นราชา ของตนเองให้เป็นผู้นำของตนเองยกสถานะจากคนธรมนนธรมดาเนี่ยจากจากคนธรรมดาเนี่ยให้เป็นราชาเขาเรียกว่าเทพก็ได้เขาเรียกสมมุติเทพเนี่ยเขาเรียกราชาก็เลยเขาเรียกว่าราชาพิเศษอภิเศกก็คือยกขึ้นสถาปนาขึ้นโดยข้อตกลงร่วมกันว่าต่อไปนี้ท่านคเนี้จะเป็นราชาแก่เราทาความยินดีชื่นชมยินดีบิดาปราโมทให้กับเราอย่างนี้เป็นต้นก็ย า, ยยาง นี่สมมุติอ้าวต่อให้จบทีนี้ก็พุท ธ, ธาพิเศษเคยได้ยินไหมครับพุท ธ, ธาพิเศษมาจากอะไรมาจากว่าปกติเนี่ยดินหินอิฐทรายเนี่ยเป็นพุทธเจ้าได้ที่ไหนแล้วเป็นไม่ได้แต่ทีนี้เอาแล้วในช่างที่ชานฉลาดก็มาปั้นให้ตรงกับมหาปุริสราขณะในลักษณะสูตรในทีคณิกาปฏิกรวาเป็นต้นในคําสอนเนี่ยเออลักษณะของพระมหาบุรุษของพุทธเจ้าเป็นยังไง ทำให้เหมือนที่สุดเท่าที่จะทําได้เบ็ดเสร็จก็ประชาชนทั่วไปมาประชุมร่วมกันมายกสถานะว่าท่านทั้งหลายต่อไปไม่ใช่อิฐธรรมดาไม่ใช่หินธรรมดาไม่ใช่ดินไม่ใช่ปูนธรรมดาแล้วต่อไปนี้เป็นพระพุทธเจ้าของเรานะเราไม่ใช่กราบอิฐกราบดินกาบหินกาบปูนนะมาตั้งข้อตกลงร่วมกันนะเอาทุกคนยังแข็งใจไหมถ้าใครแข็งใจอ่ะไม่ต้องมา ถ้าใครถ้าใครไม่แครถ้าใครถ้าใครหายความแข็งใจหายความลังเลสงสยัยตัดสายสินไปเห็น <c oughs> ไ, ไหมตัดขาดความลังเลสงสยัยอย่างสมมติเป็นโบราณมันทํามาอย่างนี้เอาละก็เลยบอกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้ายอมรับว่านี้คือพระพุทธเจ้าของเราแล้วเราจะกราบก็จะลึกถึงคุณพระพุทเจ้าได้อย่างแท้จริงไม่ได้ไปติดอยู่ที่อิดที่หินที่ดินที่ปูนอย่างเด็ดขาดจะนึกถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์คุณพระมหากรุณาที่คุณโดยการผ่านพระรูปเนี้ย แล้วจะแม้พระรูปเหล่านี้ก็เป็นพระสรีระคุณของพระพุทธเจ้าและจะมีพระองค์ทรงมาเป็นบารมีมามีทานบารมีเป็นต้นนั้นคือพระจริยาคุณแล้วพระพุทธเจ้ามีพระคุณมีพระสัพพัญยตยานเป็นต้นนั้นคือพระพุทธคุณงั้นข้าพเจ้าจะเข้าใจในพระจริยาคุณพระสรีรัคุณพระพุทธคุณนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยอมรับนับถือกราบได้อย่างสนิทใจว่านี้คือพระพุทธเจ้าของเรานี่เรียกลาพุทธาภิเศษ ยกสถานะดินธรรมดาเป็นพทธเจ้าจริงๆเข้าใจยังนั่นสมมุตินั่นแหละแต่ว่าสมมุติจริงนะไม่ใช่สมมุติเล่นๆเหมือนการสมมติที่สงเนี่ยใช่ไหมสมมติเนี่ยไม่สมมติได้ไงล่ะนี่คนมนุษย์ธรรมดาแท้เนี่ยพอามาโกนหัวปองผมปองหนวดผมผ้าแล้วก็เข้าไปในหมู่คณะหมู่คณะรับรองเบเสร็จออกมากราบได้ไหมแขงใจไหมเย้มันพระจริงหรือเปล่า <laughs> <laughs> นี่มัน มันถ้าแข็งใจอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าใจคําว่าสมมตินี่เราไม่แข็งใจเลยเห็นไหมเออหลวงพ่อนี่เป็นพระจริงเปล่ า, าคำว่าสมมติเนี่ยคืออย่างนี้ครับสมมติจริงๆเหมือนคําว่าอาภิเสกสมรสไม่รู้เอาไอ้บ้ า, อาขออภัยนะไม่ใช่บ้าไม่รู้ไอ้ผู้ชายกับผู้หญิงมันมาจากที่ไหนก็นไม่รู้เอามา มาอา้าวอีกคนนี้เองทําหน้าที่สามีคนนี้ทําหน้าที่ภรรยานะนับแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกคนยอมรับกันนะกติกาข้อตกลงร่วมกันแบบเสร็จโอเคไหมเอาโอเคก็เรียกว่าไอ้เดียวนี้ก็เป็นสามีคนนี้ก็เป็นคนนี้นี่ก็เรียกอภิเสกสมรสสมมุติไหมเออสมมุติ <c oughs> งั้นทุกในโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยสมมุตินะเต็มไปด้วยสมมุติแต่สมมุติที่เป็นจริงนะแต่สมมุติของพวกเรามันไปติต่างเนี่ย มันคนละเรื่องกันนะอย่างเล็เกสมมติว่าเป็นราชาออกมาเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่สมมุติยิงแล้วก็ต้องทํามีข้อปฏิบัติจริงๆด้วยทีนี้ระหว่างเป็นกับทำกับคําว่าธรมเนี่ยอะไรสําคัญกว่าให้หลวงพ่อเป็นกระทำเนี่ยอะไรสําคัญกว่ า, เ ป, เ, วาเป็นพระกับทําหน้าที่ฝึกตนเองเพราะเข้าถึงคุณธรรมความเป็นพระอะไรสําคัญกว่าทํากับเป็นอะไรสําคัญกว่า อนั่นนแหละเป็นน่ยไม่ต้องไปท่องไว้มากแต่ทำเนี่ยสําคัญกว่าแล้วจะฝึกผลพัฒนาธรรมตนเองฝึกตนเองอยังไงฝึกกายวาจาใจให้เป็นพระเนี่ยไอ้ตรงเนี้สําคัญกว่าพุทธศาสนาไม่ได้ให้ความสําคัญกับคำว่าเป็นเท่าไหร่แต่ให้ความสําคัญคำว่าทำครับบางอย่างบอกว่าท่านเจ้าอาวาพระองค์นะครับ อ๋อถูกทั้งหมดนั่นแหละก็หยุดจะนับตั้งแต่ไหนถ้าในวิปัสสินธรรมทูตจักกมันตาาสานี่เจ็ดนะครับคือจริงๆมันอยู่ที่ว่าจะนับเจ็ดพระองค์ห้าพระองค์หรือยี่สิบแปดมันในคำพีทพุทธวงศ์เนี่ยเอามายี่สิบปดใช่ไหมครับในคัมพี์พุทธวงศ์นี่ยี่ปดพระองค์เนี่ยหรือในในในบทวิปัสสินธรรมสูตรทูตเนี่ยถ้าแบบย่อเนี่ยนี่เจ็ดใช่ไหมอย่างห้า ห้าเนี่ยคณับเป็นกับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปจะไปศึกษาในเรื่องของคำว่าวระกับเอยพัทระกับเอยเนี่ยเนี่ยมันดกับเป็นตัวเนี้ยกับที่มีพระเจ้าหนึ่งพระองค์สามพระองค์สี่พระองค์ห้าพระองค์แล้วแต่จะนับอย่างนั้นบางทีเอาพัทระกับไปบวกกับกับกับกับอื่นมาอเงี้ยงั้นโบราณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเขาบางทีเขาจะเขียนพรรณาคุณพระเจ้าบางทีเอามาห้าก็ได้เอามาเจ็ก็ได้ามายี่สิบก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ อ๋อจริงๆมันอยู่ที่ว่าจะดึงมาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราดึงในคำพีพุทธวงมาในยี่สิบแปดเลยครับตันหังกรมีทั้งกรสะตานังกรหูไล่า ย, ยาวเลยครับทีเนี้ยสวดกันแล้วเราสวดอยู่ที่เราจะยกมาที่ไหนถ้าถามว่าอันไหนถูกอันไหนผิดมันถูกทั้งหมดนั่นแหละอยู่ที่เราจะยกมาเท่าไหร่แต่ให้เข้าใจว่าเหตุผลที่ยกมานะครับอ๋อ อ, อ, อยู่ที่ว่าเราจะอยู่สุด อ๋อถ้าถ้าอย่างนั้นตามแต่ละกับบางทีอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนเนี้ยเขาเรียกว่าพัฒกกับกับที่มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ก็มีตั้งแต่ทีปังกรใช่ไหมสามมาสัมพุทธะไล่มาตามดับจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันแล้วก็จะมีอีกองค์หนึ่งพอครบอีกองค์หนึ่งแล้วเนี่ยก็แปลว่าหมดแล้วเนี่ยโลกโลกนี้ก็หมดใช่ไหมกับนี้หมดแล้ว ต่อไปก็เป็นอสุญญากับกับที่ไม่มีพระเจ้าก็โอ้โหอีกยาวเลยอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องอยู่แต่ว่าแต่ละกับแต่ละกับพระเจ้าจะมาตัดสรุกกี่องค์อันนั้นก็ก็ต้องไปศึกษาที่จริงตอนเนี้เดี๋ยวเราก็ได้ศึกษากันอยู่แล้วในวันสองวันนี้ก็ต้องศึกษาเรื่องตรงนี้ต่อไปก็จะไม่งงเรื่องตรงนี้อมีอะไรไหมครับว่าจะถามอะไร ออมีอย่างนี้มีหลักเกณฑ์ว่าหลังจากได้รับพุทธบัญญัติแล้วจะไม่ไปเกิดเนี่ยจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เนี่ยประมาณยี่สิบกว่าจําพวกเนี่ยจะมีบอกไว้เลยก็คือหนึ่งจะไม่ไม่ลงอเวจีเนี้ยไม่ลงแน่นอนจะไม่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะไม่เล็กกว่านกรนกระจอกนกกระจาบเนี่ยนะแต่ถ้าหากเกิดเป็นจะไม่ใหญ่กว่าช้างอย่างนี้ไปต้นอย่างเช่นปลาวานเนี่ยไม่เป็นแน่นอนถ้าเป็นช้างนี่เป็นเนี้ย โอ oh, ปาวานไม่ปาวานนี่ไม่ได้กินกินกินสัตว์วันละหนึ่งตันไหวไหมครับต้องฆ่าสัตว์นขนาดนั้นวันละหนึ่งตันวันละพันกิโลนั้นก็จะมีข้อว่าให้สังเกตโ ด, ดยคํคาคําอธิฐานบบางคนที่เขาปรารถนาเป็นพระโพธิสัต์เนี่ยบอกว่าอาขอให้ข้าพเจ้าไม่เข้าถึงฐานน่าในความอาภัพสิบปดอย่างเออสิบปดจําพวกนะจะไม่ไปเกิดพวกพวกเปรตประเภทที่หิวจัดๆเนี่ยกาลัญชิ ก, กาศูนย์เอยพวก ปรารถนาประชีวก็ เ, เปรตเลยพวกนีไอ้พวกเปรตที่เปรตที่ไม่สามารถจะรับผลส่วนบนส่วนกุศลได้เงี้ยพวกนี้จะไม่ไปเกิดเป็นเพราะพริษัทท่านก็จะมีกฎเกณฑ์ของท่านอยู่ถ้ารับพยากรแล้วเนี่ยจะไม่เกิดเป็นหญิงเลยเงี้ยจะไม่เกิดเป็นผู้หญิงเลยแต่ก่อนหน้านั้นยังเป็นอเนจตาพริษัทยังเป็นได้อยู่นี่เป็ต้นคําว่าธรรมะสโมโอทานเนี่ยมีอยู่แปประการนะ มนุสสตังลิงคสัมปติเหตูสัทธารถัสนังปปัชฌาคุณสัมปติอธิกาโรจะชันทตาอัต ธ, ธรรมะสมธทานาอภินิหารโรสมิชติก็คือธรรมะสมุทานแปดหลังจากได้รับพยากรแล้วนะหนึ่งได้เพศ ช, ชายก็เป็นหนึ่งเป็นมนุษย์หนึ่งเป็นมนุษย์ก่อนนะสองได้เพศ ช, ชายจะไม่เป็นสตรีแล้วหลังได้รับพยากรณ์เนี่ยนะประการที่สามก็คือว่าประการที่สามก็คือ มีอุปนิสัยสามารถบรรลุอรหันต์ได้ในชาตินั้นอย่างเช่น อ, อย่างเช่นสุมเมธาดาบดเนี่ยท่านได้ฌานสมาบัติมีอุปนิสัยคือมีอัธยาศัยถ้าจะสามารถฟังธรรมในขณะนั้นในวันนั้นในโอกาสนั้นบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้ต้องมีอุปนิสัยอย่างนั้นถึงจะได้ยพยากรน์นะแล้วก็ได้พบโพระเจ้าแล้วก็ได้เป็นนักบวชได้เป็นนักบวชนะที่ถูกต้องเนี่ยสมบูรณ์ด้วยคุณ สมบูรณ์ได้คุณในที่นั้นก็คือได้สมาบัตแปดได้พิญญาห้ามีอติตังสยานานาะนะตังสยานเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็มีการกระทำการสละที่ยิ่งใหญ่กล้าสละชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาเดี๋ยวพระพุทธเจ้ า, าได้เหมือนสุเมธาดาบทเวลาท่านเห็นพระพุทธเจ้าปุ๊บเสด็จมาพร้อมด้วยพิกสุสงหมูใหญ่ใช่ที่รัมมนครสี่แสนรูปเวลาท่านเห็นปุ๊บเนี่ยท่าน ท่าคิดทันทีว่าท่านจะเป็นอย่างท่านผูเนี้แล้วก็ตัดสินใจเลยบอกว่าท่านจะไม่ขอบรรลุในวันนี้เด็ดขาดท่านปรารถนาจะเป็นพระเจ้าแล้วท่านบอกว่าท่านเป็นคนที่มีพลังมีศักยภาพมีความสามารถอย่างท่านเนี่ยท่านจะไม่บรรลุในเพศที่ไม่มีคนรู้จักแล้วท่านก็กล้าสละใหญ่ก็คือว่าถวายอัตภาพท่านตอนนั้นน่ะท่านไม่สามารถชําระแผ่วถางทางให้ทันคนอื่นก็ทำกันเสร็จ ตรงที่ท่านทําท่านไม่ทำไม่เสร็จมีมีน้ํามีโคลนตมอยู่ท่านก็เลยเอาแผ่นหนังปูปูเสร็จปุป๊บท่านก็นอนราบแล้วก็ประนมมือการาบอาราธนาพระเจ้าแล้วภิกษุสงฆ์สี่แสนรูปเท้าของภิกษุสงฆ์พระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าได้เปื้อนฝุ่นและโคลนเลยจงเหยียบไปบนแผ่นหลังเข้าพเจ้ากล้าที่จะสละชีวิตเป็นพุทธบูชาแบบเนี้ถวายอัตภาพ เมปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าการกล้าและมีความเด็ดเดี่ยวทางด้านจิตใจขนาดนเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมะสมโมทารหนึ่งในแปดข้อนั้นด้วยเข้าใจ ไ, ไมอย่างเงี้ยเป็นต้นหนึ่งในแปดข้อนั้นก็่าไรกว่าความปราถนานี่คือคือคือในชาตินี้อะไรที่ท่านได้รับพยากรณ์แต่วเดียววันพวกนี้ตอนภาคเช้าจะมาขยายในเรื่องตรงนี้ให้ฟังว่าเออเนี่ยการได้รับพยากรณ์เนี่ย มีมูลเหตุมาอย่างไงมีแรงจูงใจยังไงท่านคิดอย่างไงเป็นต้นเหลานี้แล้วท่านก่อนหน้านั้นที่ท่านจะม็ท่านจะบวชเนี่ยเป็นโซเมธาดาบดเป็นรูสีเนี่ยท่านคิดอย่างไงกับทรัพย์คิดอย่างไงกับลาบยศเกียรติยศชื่อเสียงทําไมท่านกล้าสละในการที่จะเดินออกในการที่จะบําเพ็ญพจน์นี้เป็นต้นแล้วต่อมาก็มาเจอพระเจ้าอย่างนี้นะนี่นี่เป็นอย่างนี้มีใครจะถามอะไรไหมครับอ่าเซิน อ๋อทําไมล่ะถ้าเป็นนิยต์ตาพราะโพริษัทแล้วหมดสิทธิ์แล้วท่านไม่มีคิดยาลาไอคนที่คิดยาลานี่คืออันนิยต์ตยังไม่มีความแน่นอนเลยครับไม่มีความแน่นอนมีจิตใจกวัดแกงอยู่ตลอดเวลาถ้าคนเป็นนิยต์ตาโพธิสัตว์แล้วเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนพระวาจาของพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่ ง, งไม่มีสองและอีกอย่างก็คือว่า ไม่ใช่เป็นพระวาจาพระเจ้าด้วยแต่เป็นเพราะพระเจ้าเห็นว่าท่านวันนี้บำเพ็ญบา ร, รมีเต็มเปี่ยมแล้วไม่ถอนความตั้งใจแน่นอนต่อให้เจอปัญหาเจออุปสรรคอย่างไรนะขนาดเอาว่าอ่ให้มีเขวนะครับคัตอุปมานเงี่ยว่าเนี่ยให้โรคใบนี้เต็มไปด้วยหลุมฐานเพลิงฟังโน้นน่ะคือสัมมาสัมโพธิธญาณ น, นะครับแล้วจะต้องเดินด้วยเท้าเปล่าลุยหลุมฐานเพิงไปเนี่ย เหยียบย่าไปเนี่ยโลกนี้ทั้งใบนะครับคนที่ได้รับพยากรณ์แล้วก็กล้ากล้าที่จะเดินไปเอาสัมมาสัมพุทธยญาในฝั่งโน้นได้หรือถ้าหากว่าเต็มไปด้วยห่วงห่วงทะเลเพลิงลึกมากเป็นทะเลเลยนะสพัญุตญาณู้นอยู่ฝั่งอยู่ในดิง่งอยู่ในใต้ก้นมหาสมุทรกล้าดำลงไปไั้มท่านบอกท่านกล้าใจท่านต้องขนาดนั้นไม่มีเปลี่ยนนะครับ ถ้าคนที่เป็นนิยตตาโพธิสัตว์แล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นพระเจ้าถึงพระยากรวันเที่ยงแท้แน่นอนคนประเภทนี้ยังไงก็ไม่เปลี่ยนพระเจ้าต้องรับรองเลยอโอ้โหเนี่ยฉัย้นในกรณีที่บอกว่าลาพุทธภู ม, ลภมิลาพุทธภูมิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านี้คือปรารถนามาเป็นอัธยาศัยครับตั้งความปรารถนามาเนี่ยเพราะหนักเข้าหนักเข้าม า, าเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความทุกข์จากความเกิดบ้างแก่บ้างเจ็บบ้างตายบ้างความโศกบ้างความพัดพลาดบ้าง ปัญหาชีวิตบ้างอะไรบ้างโอไม่อยากอยู่ไม่อยากเขียนไม่อยากประสบไม่อยากจะช่วยไปช่วยเขาเขาก็ด่ากลับไปช่วยใครต่างๆเขาก็พากันใส่ร้ายป้ายสีบ้างเขาพากันดูถูกเหยียดหยามบ้างนัเข้าเครียดโกรธแลครับคนนัเขา้านัเข้าไม่เอาแล้วไม่อยากเป็นอะไรแล้วขอเอาตัวเองให้รอดดีกว่าเรื่องอะไรช่วยเขาเขาก็มาประทุดสลายเราตอบแบบนี้ไม่เอาดีกว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็พากันสละทิ้งสละทิ้งเยอะมากครับถ้าประเภทก็คือว่า 99.9 โดยมากสละทิ้ง นะครับเหลือหนึ่งอร์เซนไม่ถึงหนึ่งเดียวที่จะสามารถฟันฝ่าตนเองเข้าไปถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้นอกนั้นน่ะสลาทิ้งกลางทางหมดนะครับไอตอนที่ฟังฟังแล้วบางทีเกิดฮึกเหิมอยู่ไหมหรือได้เจอเรื่องราวเจอพระพุทธเจ้าบางอะไรบ้างเกิดมีพลังขึ้นมาแต่พอไปเจอปัญหาอุปสรรคขึ้นมาก็ท้อถอยถอดใจแล้วครับได้มากก็ถอดใจนั้นคนต้องมีจิตใจเด็ดเดี่ยวจริงๆจงจะไม่ถอดทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ย บางคนปฏิบัติไปปฏิบัติมาเนี่ยเช่นเวลาเดินกําลังวิปัสสนาญาณได้นะได้สมาธิเอาสมาธิเป็นฐานก็เดินตั้งแต่นามปรูปปริเฉทะยานปฏิยะเปรขายานสมมสนญาณไล่ไปตามดับอาทีนาวายานมุนจิตุกรรมยาตาญาณปฏิ ส, สังขารุปเปขายานพอไปถึงตรงนู้นนี่มาน่ะเข้าน่ะเข้าใจบางคนเนี่ยผูกอยู่กับความเป็นพระเจ้าอยากจะเป็นพระเจ้าก็ไม่ยอมที่จะก้าวข้าม ไม่ยอมที่จะเข้าถึงโคตรภูยานมรรคยานพลยานไม่ไม่ยอมที่จะข้ามโคตรจะบรรลุชนเข้าสู่ความเป็นอริยก็ย้อนกลับมาคนกลุ่มนี้มีอยู่แล้วบางทีเนี่ยคนที่เป็นครูอราจารย์ก็จะมาถามเออาถามว่าเออสัมมาสัมโพริยาณที่ท่านตั้งไว้เนี่ยมันไกลแสนไกลนะท่านนะท่านยอมไหมยยอมสละทิ้งไหมถ้ายอมถอดสละทิ้งอย่าอะไรอาวร อ, อย่าให้เป็นปริโพชท์เลยท่านน้อมใจในการที่บรรลุในอัตภาพพิเอ ก็มีแบบเนี้แต่ว่าก็ต้องครูบาอาจารย์ก็ให้ท่านเลือกแล้วก็แนะนําว่าถ้าบรรลุแล้วจะดียังไงถ้าไม่บรรลุมีโอกาสจะเจ็บปวดในสังสารวัฏยังไงนี้เป็นต้นถ้ากรณีอย่างนี้เป็นอนิยตาก็โ พ, พธิสัตว์อยู่ดีแต่ถ้าบอกว่าผมถอนไม่ได้แล้วครับยังไงยังไงผมก็จะมุ่งมั่นต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมพุิธญาณอะไรเงี้ยเนี่ยจิตใจรักนะรักในพุทธภูมิมากถ้ากรณีอย่างเนี้ยมีโอกาสที่เขาจะเป็นนิยตางนี้เป็นต้นเพ่อจะมองเห็นอะไรนะมีใครอีกไหม หมดหรืยังหมดแล้วเนี่ยพอย่างไดีอีกสามสิบนาทีมีใครถามอะไรไหมครับเดี๋ยวสรุปตรงนี้หน่อยเออในในในช่วงปลายเลยนะครับเหลือประมาณสามสิบนาทีสรุปให้จบตรงนี้เฉลยจะได้หมดภาระผมวันนี้ก็คือว่าบารมีในตอนปลายนะครับเดี๋ยววันพวกนี้จะมาขยายรายละเอียด ตอนที่พระองค์ได้รับพุทธบยากรจากพระพุทธเจ้าพระทิปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านคนนี้จะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแน่นอนเนี่ยถือเป็นนิยตตาโพธิสัตว์คือเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้แน่นอนแต่การได้ปรมาพิเศษสัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยนะคือได้ตัดสรู้สัมมาสัมพรทธญาณก็คือบําเพ็ญบารมีสิบกอสงไขยิงโดยแสนมหากรัพก็คือระยะสุดท้ายก็คือสี่อสงไขยับกับ อ, อีกแสนกลับเนี่ยก่อนที่จะถึงสี่อสงไขยแสนกรับเนี่ย มีกับหนึ่งที่ชื่อว่าสารมฑกักสารมฑกักก็คือมีกับที่มีพระพุทธเจ้าบัตเกิดขึ้นสพระองค์ก็มีพระตันหังกรนะพระพุทธเจ้าเมท า, า, างกรพระพุทธเจ้าสรานังกรพระพุทธเจ้าและพระทีปังกรพระพุทธเจ้าเห็นไหม เ, เรียกกันวสารมันดกเนี่ยเป็นกับที่มีพระพุทธเจ้าหพระองค์สี่พระองค์นะครับสี่พระองค์ฉะนั้นตอนนี้แหละที่พระพุทธเจ้าของเราไปเจอใคร ไปเจอพัททีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับเนี่ยตันหังกรเมธังกรสารนังกรและทีปังกรและอีกเสียสงไขแสนกับก็มีพระธเจ้าอีกยี่สิบสามพระองค์ก็เริ่มตั้งแต่โอลทัญญะพระเจ้าเป็นต้นเหล่านี้นะจนถึงกัสปะพระเจ้าเป็นองค์ที่ยี่สิบเจ็ดพอดีเนี่ยในจํานวน27็พระองค์ในพระเจ้าของเราเนี่ยมีโอกาสพบพระทเจ้าทุกๆพระองค์เลยนะพระเจ้าองค์เนี้ยพบพระเจ้าทุกๆพระองค์ แต่ได้รับพยากรจากสำนักพระเจ้าเพียงยี่สิบสี่พระองค์เนีนเฉพาะเฉพาะนี้พระเจ้าสามพระองค์แรกคือพระตันหังกรพระทธเจ้าเมธังกรพระพเจ้าและสระนังกรพระเจ้านั้นนะ่ยแม้พระองค์จะมีโอกาสได้พบแต่ไม่ได้รับพยากรนะครับไม่ได้รับพยากรเนื่องจากอะไรธรรมะสมโมทานทั้งแปดไม่ครบก็คือความเป็นมนุษย์ มีเพศบุรุษมีอุปนิสัยที่จะบรรลุในอัตภาพนั้นเป็นต้นยังไม่บริบูรณ์ฉะนั้นธรรมสโมโอทานแปประการไม่บริบูรณ์พุทธเจ้าก็ยังไม่พยากรณ์เมื่อได้รับธรรมสโมโอทานแปดประการครบบริบูรณ์แล้วก็คือมาเจอพระติบังกรสมมาสมุทรเจ้านี่แหละคือหลังจากบำเพ็ญบา ร, รมีมาแล้วสิบหกกสงไขแสนกลับแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คือเป็นพระร า, ราชาโอรสของพระนาง สุมเมธาอัครมัยสีของสุเทวชชะในนคน ร, ร, ร, รรมดรีรมดมีเนี่ยตอนนั้นก็คือของคารวาสอยู่หนึ่งหมื่นปีนะยี่หมื่นปีเนี่ยตอนช่วงนี้แหละที่ได้รับพยากรณ์นี่นะตอนนั้นประพุทธศาสนของเราก็เป็นพราหมณ์เชื่อสุมเมธาในเมืองอมาราวดีอมมรวดีนี่แหละสละราชสมบัติหรื อ, รอสละทรัพย์หลายโกรธถวายเป็นทานแล้วก็ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ที่ภูเขาธรรมิกะ ใกล้ปลายมพานทีนี้ได้สําเร็จอภิญญาภายในเจ็ดวันพอบวชเจ็วันเนี่ยก็ได้บรรลุปฐมฌานทุติยฌานตัติฌานเจตุติฌานแล้วได้อรูปฌานอีกสี่ก็เรียกสมาบัติแปดแล้วก็ตามไปเรือ่องอภิญญาที่พระจักครูอภิญญาได้ตาทิพทิปโะสะตะหูทิพนี่นะเจโตปริญญารู้ความคิดคนอื่นนะอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็มีอตีตังสยานรั่วดีตนาคตังสยานรั่อนาคตเนี่ยได้อภิญญาเหล่านี้นะครับสามารถเหาะได้อะไรได้อภิน ญ, ญาห้าขั้นกโลกิโลกียาภิญยาถ้าภิญยาหกก็เป็น น, นุ่นนดิพวกตั ว, ต, วตัวอาสวะขยะญาณไม่ใช่แล้วนีั้ น, นแปลว่าบรรลุแล้วนั้นเห็นไหมว่าทั้งทั้ ง, ท, งที่ตนเองได้สมาบัติแปดได้อภิญญาห้าแต่ก็เป็นปุถุชนมีอยู่วันหนึ่งที่ท่าน ท่านเหาะมาก็เห็นชาวนาครในรัมมดัดีรัมมนาคนครเนี่ยโอย้กังวลกันในการแผ่วถางทา ง, ท, างทําถนนน้นทางอยู่ใช่ไหมท่านก็เหาะลงมาปกติเวลาท่านเหาะลงมาประชาชนคอยต้อนรับนี่เป็นเรือนหมื่นเรือนแสนว่าคนศรัทธาคนเหาะได้คนจะศรัทธาไหมหล่ะอ้าวะลองโยนีย่ที่วัดสุวรรณภูมิเนี่ยพุทธยันตีมีพระหาะได้รูปหนึ่งก็โหตายเลยวเนี่ยแผ่นดินเป็นมันเลย ออกจากปกติไม่ได้เลยจะไม่ได้ทุกวันเนี้ยโดยมากอ่ะจริงๆเนี่ยมันการการฝึกในเรื่องนี้ยังมีอยู่ไหมฮะมีอยู่ทําได้ได้จริงไหมจริงอยู่ไม่ใช่ไม่ได้แต่ทุกวันเนี้มนุษย์เราใช้ความสามารถออกไปนอกตัวเราสามารถที่จะทําเหล็กให้ลอยไปบนอากาศได้คนประเภทเนี้ยถ้าเรามาฝึกฝนพัฒนาจริงๆดิมันสามารถจะทําตนเองใ ห, ให้ให้มีคุณธรรมชั้นสูงได้หมดแล้วครับแต่ทุกวันเนี้ยมัน มันพยายามคิดนอกตัวหมดมันก็เลยใช้ความสามารถไปทํานอกตัวหมดเลยเช่นเรเห็นไหมเนี่ยตึกรามบ้านช่องก็ดีพวกเจดีขนาดใหญ่มหือมาขนาดนี้มนุษย์ทําได้ธรรมดาสักมื่อไรใช่ไหมครับหนักไปกว่า น, นั้นวิ่งลงใต้ดินก็ได้ขึ้นบนท้องฟ้าก็ได้เนี่ยไปได้หมดเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยความสาภาพของมนุษย์ก็โดยที่เนี่ย iPhone iPad เนี่ยมันเห็นหน้ากันมันคุยกันเฉยเลยตอนเนี้เนี่ยมันเรื่องฤทธิ์ทั้งนั้นแหละครับในบุญฤทธิ์ จริงๆเรามนุษย์สามารถที่จะฝึกตรงนี้ได้เพราะเอิญเนี่ยมนุษย์กับไม่โฟกัสไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ให้เต็มที่ถ้าโฟกัสให้ความสนใจในเรื่องนี้มนุษย์ไม่ธรรมดานั้นท่านก็ห อ, อมานี่แหละนี้ไม่มีคนสนใจท่านก็ลงมาก็ตอบสอบถามพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จแค่นี้ยจิตที่ผูกพันกับความเป็นพุทธานี่สูงมากท่านก็อุทานออกมาเลยครับเนี่ยตอนเนี้ยในกรณีครับท่านก็อุทานออกมาในการที่ พุโทโธพุธโทโธแทนที่ท่านมีล็ดท่านจะอธิษฐานนี่แผ่นดินราบเรียบก็แล้วท่านใช้กาลังตนเองเลยดึงแผ่นหนังมาก็มาเก็บเม็ดกวาดเม็ดหินเม็ดทรายอุทานพุโทโธพุธโทโธตลอดบูชาพระพุธเจ้าเอาไปถางเอาไปถมผมพอพระพุทธเจ้าจะมาถึงเขาทํากันเสร็จเหลือท่านนีง่งั้นตอนเนี้ยท่านได้โอกาสท่านเลยถวายอัตภาพเนี่ยที่ได้รับพยากร นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้อันนี้คือกรอนที่เป็นสมเมติาดาบทในรักพัฒนวิทยากรนีในภาพนี้ภาพที่ขึ้นอยู่นี่สมควรเกยวเวลาแล้ววันนี้สมควรหรื อ, อยังสมควรแล้วนะครับผมก็เหนื่อยพอดีฉ <c oughs> ันก็วันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่